จะจารย์พานท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านคือนนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสีนภาวนาวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่คุณหมอพิเชษคุณหมอพิเชษเข้ามาก่อนเชิญก่านมสักการพระ อ, อาจารย์ครับ เป็นเวลาครบเปเวลาครบหนึ่งปีพอดีครับที่โยมได้เข้ามาในสูมนี้และเป็นโชควาสนาอย่างยิ่งเลยครับจะได้มาพบกับพระอาจารย์พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะและสั่งสอนข้อธรรมะทำให้ได้รับรู้รสแห่งธรรมและมีเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นหนทางสู่การดับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโยมจะตั้งใจศึกษาปฏิบัต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในทำยิ่งขึ้นไปครับยิ่งมากราบขอบพระคุณป้าอาจารย์เป็นอย่างสูงแล้ะขอความเมตตาป้าอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีที่มีความเข้าใจในเรื่องของคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ก็ขอให้เราเข้าย้อนกลับมาที่ตัวเรา ความทุกข์ความเนอยู่ในใจเราเกิดจากความอยากต่างๆของเราถ้าไม่มีความอยากเลาวไม่ทุกข์ก็ต่อให้ใครเป็นใครตายเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดไปจิดเขาเราไปอยากให้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอะไรอย่างนี้นถึงก็ขอยยึดแนวอริยรรสัจสิว่าทุกทุกอยู่ที่ใจเกิดจากสมุทยัยคือตัณหาความอยาก การดับทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรับนี่ให้ไม่เป็นตายรับมันก็ไม่อยากเพราะอยากไปก็ได้ได้ผลเป็นคล้า hmm. ยเราคล้นนายบุญรอดชดมำออไปใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับขันห้าของเราที่กายวิจนาสัญญาสังขารปัญญา กายกับวทนาเป็นตัวสําคัญเป็น ส, ส, สัญญาสังขารวิญญาณมันมันเป็นมาพร้พอมๆกันเวทนาเวิทนาเป็นตัวนําตัวเด่นไม่ใตัวนําตัวเด่นเราเห็นมันชัดกว่าตัวอื่นมันทํางานเป็นทีมถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับเวิทยาล้วก็ถ้ า, าเราได้ปฏิบัติกับตัวนี้มาเด็กเมื่ก็จะพูดถึงเนระื่องสัญญาสังขารวิญญาณด้วย ทางการก็พูดด้ว่ามันเป็นตัวทาให้กิดสมุทัยเวลากิดทุกขเวทนาสังขารมันก็จะเป็นอยากให้เวทนาหายเพราะมันอยากให้มันหายมันก็ทุกขเใช้ปัญญาให้มันพิจารณาเป็นใยรักมันก็ปล่อยมันก็หยุดเป็นความอยากให้หายมันรู้ว่าหยุดไม่ได้เป็นสภาวะธรรมพอปล่อย ไม่อยากไม่ให้มันดับใจก็หายทุกข์ส่วนความเจ็บเวทนาจะได้อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะมันเป็นส่วนส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับทุกข์ที่เกิดจากความอยากอย่ากให้ทุกขเวทนาหายตัวทุกขในอริยสัจดับไปได้ทุกขในเวทนาก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่องค์ท้าเ จ, จ้าพระสาวป้าหลานก็ยังต้องสัมผัสกับทุกขเวทนานี้ แต่ว่าใจของท่านไม่ถุกข์กมานะอันนี้คือไม่น่าเชื่อในเวลาผ่านตปอย่างน้เดืนหนึ่งปีแนะ้วครับพอดีแป๊ะนะครับปีที่แล้ววันที่ยี่สิบหกมกราที่ผมเริ่มเข้ามาครั้งแรกมาเริ่มต้นขอไก่ขอไข่ขอไปว่าอาจารย์เนื้ตาสังสอนก่อนหน้านั้นไม่เคยปิไม่เคยปฏิบัติเลยนะไม่เคยเลยครับอาจารย์ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติทำคืออะไรเลยครับอาจารย์ อผมยดงได้อ่านจากเฟซบุ๊กว่าอาจารย์แล้วเกิดศรัทธาอย่างสูงเลยครับเลยมันเข้าติดตามอาจารย์ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศาสนาเลยคนระับ ไ, ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเลยครับอาจารย์เป็นโมหาวิชาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเป็นแพทย์เห็นแต่ร่างกายตบปัญหญ่อาจจะคิดว่าตายแล้วก็จบใช่ไหม เออ้ oh. เรื่องด้านโลกสวรรค์นุงไปกันมาเนี่เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่อยากจะไปคิดให้เสียเวลาว่าเป็นโชควาสน า, อ ย, าอย่างสูงมากที่มาพบกับพระอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับโอเคก็ okay. ขอให้ปฏิบัติต่อไปนะเอาธรรมังสุลานังกระชามิเอาธรรมะเป็นที่พึ่งของเราขอบคุณครับพระอาจารย์ okay. ไปที่จมามัจกันจัดที่ เราบนรับอาจารย์ครับอะไรยังไงแล้ววันนี้จะมาส่งัลบ้างครับามีผลบานไหนให้ทำรึเปลการพิจารณาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายครับอเป็นยังไงมันไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ไหมใช่ครับอเราไม่ได้เป็นร่างกายใช่ไหมครับแั้นเราก็ต้องไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใช่ไหม ครับอาทำได้ไหมทำได้อ่าทำได้เวลาร่างกายเจ็บเราใจไม่ต้องเจ็บได้ไหมไดครับอืมยามคิดอยู่ทุกวันว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันวันหนึ่งข้างหน้าจะไม่กับแชตตี้กันจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน วันหนึ่งต้องมีใครไปก่อนไปแล้วเ น, น่ยดัง้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์แล้ก็จะไม่เสียใจถ้ามีอะไรไหมจะท่องใประจำฝังคำล้ออาการตาลิศสองอย่งมึท่องอยู่ปะท่องอยู่ครับ มาอยู่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิแล้วมีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้วันนี้เขาเตรียมจะมาท่องบทพิจารณาความแก่เจ็บตายให้พระอาจารย์ฟังเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา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 ผลของกัร น, น, นั้นสืบไปเราทั้งหลายควรที่จะละายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพื่อทำกรรมดีก็ได้อะไรรู้ไหมผลของกรรมดีคืออะไรก็คือเราจะไปสอนทำไมไม่ได้มีอยู่ในบทที่ส่วนแล้ว เขาบอกเราจะรับผลของกรรมแต่เขาไม่ได้บอกผลของกรรมเป็นยังไงผลของกรรมดีก็คือความสุขใจอผลของกรรมไม่ดีของผลของบาปก็คือความทุกข์ใจเวลาใส่บาตแล้วมีความสุขใจไหเวลาทำอะไรให้คุณพ่อเป็แม่มีความสุขใจมีความสุขใจเวลาช่วยคุณพ่อเปแม่มีความสุขใจ เวลาขโมยเงินของคุณพ่อกุณแม่เนี่ยสุขใจแล้วทุกข์ใจทุกขใจครับถ้าอยากจะไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าทำบาปกรรมกรรมชั่วก็คือการทำทาบาปฆ่าสัตว์รับทรัพย์ก็เพิดประเพณีพูดปลดเดือมสุรายาเมาและยาสพติด ท, ทั้งหลายถ้าทำแล้วก็จะทุกข์ใจ อย่าทำอากจะมีความสุขก็ทำความดีเสียสละแบ่งปันมีอะไรแบ่งให้คนอื่นเขาได้ก็แบ่งให้เขาไปอย่าบวเข็บเอาไว้กินคนเดียวใช่คนเดียวนะครับโอเคทำไปทุกวันนะนั่งสมาธิทุกวันนะครับนบั่งสมาธิ แล้วก็พิจารณาการฐานต่อไปเวลามองร่างกายมองให้เห็นอาการฐานี่อาการต่างๆที่อยู่ใต้ผิวหนําได้ไหมเห็นโครงกระดูกเห็นโครงกระดูกไหมเห็นเห็นปอดไหมเห็นตับไหเห็นค่ะไปเปิดดูหนังสือหรือยังไปเปิดดูภาพเรี่ยงเปิดดูแล้วค่ะนี่เป็นยังไงสุขสงบมากครัอไม่สวยงามเลยนะ แล้วเขาประกวดนางงามเขาประกวดอะไรกันประกวดล่างกายเขาประกวดปอดหรือตบหรือใจเขาประกวดผิวครับขาประกวดแต่นันอย่างเดียวเลยเนื้อเย็นกระดูกเขาไม่ประกวดกันนะไม่ประกวดปรากฏแค่นั้นนังอย่างเดียวนะ ก็เราอย่าไปประกวดตามนั้นนั่นเราเห็นความจริงแล้วว่าไม่มีอะไรสวยงามในร่างกายนี้ครพยายามฝึกมองอยู่เรื่อยๆเวลามองหน้าเราในกระจกก็มองเข้าไปข้างใต้คือหนาไม่ว่ามีอะไรที่หน้าเรารเห็นไหมที่หน้าเราที่ศีรษะเรานี่มีอะไรบ้างสมองครับแล้วมีอะไรภูมิคุ้มสมองจริง กะโหลกใช่มอ๋อครับแล้วก็เย็นในสมองอะกะโหลกศีรษะเย็นในสมองอยู่ภายในกะโลกอีกทีหนึ่งใช่ไหครับพยายามหัดมองร่างกายมองให้มันทั่วถึงจะได้ไม่ลงจะได้ไม่คิดว่ามันสวยมันงามน ะ, ะครับ พยายามมองว่ามันต้องแกแล้วเจ็บเรแต่มองมันจะแก่หรือวราบอกต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนคนนั้นนะเวลาเป็นคนก็เจ็บนอนโรงพยาบาลก็ต่อไปเราก็ต้องไปเป็นนุ่เราก็ต้องไปคนเจ็บไปนอนโรงพยาบาลต่อไปถ้าไปงานศพของใครเขบอกต่อไปเราก็ต้องไปเป็นเราก็ต้องไปเป็นศพเหมือนกับเขานะกามองไหมการมอ ศพก็เป็นคนดีๆที่ไม่หายใจเท่านั้นใช่ไหมครับอ่น่ากลัวตรงไหนไม่ไม่น่ากลัวตรงไหนคนที่หายใจได้น่ากลัวกว่าคนหายใจได้ยังตีเราได้ครับฆ่าเราได้ใช่ไหมใช่ครับแต่คนไม่หายใจก็ทําอะไรเราไม่ได้เลยเราไปกลัวทำไมนั้นสครับนั่นกลัวหมทด <laughs> ลองดูเลยมันรังมันรังขอแมไ่ไปดูไปดูศพหรดูเป็นไง เผื่อศพมันจะลุกศุกขึ้นมาต่าเราว่าแล้ ว, ลวอ่ะโอเคนะต้องมองให้รอบครอบในร่นะรางกายต้องมองให้ครบทั้งทั้งขนาดที่มีชีวิตอยู่ทั้งขนาดที่หมดลมหายใจนขะ้างเฮ่างนอกทั้งเฮ่างในยมองให้มันชัดเจนตเราจะได้ไม่ไม่ทุกข์กับร่างกายนะ โอเคนะค่ะกรรมของคุณพระอาจารย์ไปที่ชายนาฏคุณสาธการมาฟังธรรมค่ะพอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะลงจากเขาแล้วเหรอลงแล้วลงแล้วเลยลงลงมาเมื่อเมื่ออาทิตย์อาทิตย์ก่อนใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเค เดี๋ยวเอาไว้ใหม่อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ะปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์แต่ในเขาก็อ๋ออาจารย์บุณศยาคุณแม่ถึงเวลาที่วา่าส่งน้ำแข็งมาถวายรับประเทศแล้วนะะาธุค่ะกาบนวัสการพาระจันทร์ค่ะถึงว่าพระจค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งถึงเจ็ดนะคะจะขึ้นโนกับแม่จะขึ้นเข า, เาไป ขึ้นเขาทีโอนไปภาวนาค่ะอดีดแล้วก็หลังวันที่ถึงเจ็ดก็ลงมาข้างล่างต่ออีกอาทิตย์หนึ่งเอ่อายาวเลยนะ14วันเลยนะดีได้อยู่ทำาอาจารย์วันเสาร์อาทิตย์และวันเสาร์ค่ะและ้วไปกันวันอยยินดียินดีด้วยดีใจด้วยที่มีจิตใจฝ่ายบุญฝ่ายธทํา รถแข่งทำชนะรถังปวงนะอร่อยกันขนมเค้ที่ส่งมาคือรถแข่งความสงบนี่ยก็มีอะไรมั้ยวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามากับนมัสการพระอาจารย์แล้วก็จะมาแจ้งว่าจะไปอยู่บนเขาจีโอนตามที่อาจารย์บอกให้เป็นปีเวกอะค่ะจะต้องไปสอบนะฮะต้องต้องไปทำข้อสอบครับ ทำแต่การบ้านยังไม่พอต้องไปทดสอบหนึ่งวาสู้กิเลดไว้ไหยเพราะวันที่เจ็ดก็จะลงมาอยู่ที่วัดยานข้างล่างนะคะเจ็บว<า>ันว<า>ันที่สิบสงโอเคสาธาาาุอาจารย์ไปที่อาจารย์คงพิลัยจากกรทม กรรมมรสการพระอาจารย์ค่ะอ่าไม่ไงคนนั้นคุณไม่อยู่นะดูค่ะกังมาค่ะกำลังมรสการพระอาจารย์ครับอต้องมารายงานตัวทุกครั้งค่ะเมื่อกี้เด็กเขาบอกว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะค่ะเราต้องดูแลกันไปต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะอืม อย่าไปทาให้มันเจ็บมากกว่าเดิม ถ, ถ้าทําแล้วเจ็บมากกว่าไม่ทํำก็อย่าไปทำมันดีกว่านะอืถ้าทําแล้วมันหายก็ทําไปแล้วทําแล้วไ ม, ม, ไม่ไม่หายมันก็แล้วแต่่อยไปตามธรรมชาติค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมารับฟังพระอาจารย์ค่ะ อ <Okay. S 2> าจารยไม่ว่าการไม่การอืมปไปที่คุณหมอภาสนะต่อคุณอฟัน เ, ยเียอนเลฟันธรระการฟันทุวัค่ะ<า> <laughs> ช่วงก่อนตอนจุดปีที่ทําค่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้วค่ะอาจารย์ไม่ได้ทําแล้วอืมค่ะก็กลับมาก็รู้สึกดีนะคะพระอาจารย์ก็อิ่มใจมากเลยค่ะแล้วก็ทําทําข้อสอบของตัวเองที่นู่นก็ก็ยังโอเคเหมือนเดิมพระอาจารย์ก็ แต่ว่าเดินตอนตอนนี้เดินลงกงคืนนะค ะ, ะอาจารย์เพราะว่าไม่ท่านั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะตื่นก็เลยพนั่งสมาธิเสร็จก็ลงมาเดินแล้วค่อยนอนค่ะอาจารย์ก็ก็ทำได้ก็ก็คือเหมือนยังรู้สึกตัวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆอย่ะพระอาจารย์แล้วก็สงบคะแล้วก็นอนข้างนอกก็เย็นดีพระอาจารย์ค่ะรู้สึกเหมือนเป็นบ้าน <laughs> รู้สึกเหมือนเป็นบ้านเลยพระอาจารย์เขาชีโอนค่ะนี่เปิดใครมันอยู่แบบไหนก็ได้มที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปค ก็ใช้เสื้อสามตัวนะคะก็คือแบบค่อยเพิ่มมากน้อยสันโดษมากขึ้เรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆมันต้องไปเหิางทองซื้อลอยล่างคอนโดอะไรอ๋อไม่อยู่ในป่าจะดีแล้วค่ะแล้วก็ฟังพระอาจารย์เทพวันจย์ที่บอกว่าอนิจจาวัตสังขาราที่อาจารย์บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าให้หยุดสังขารเล่ากับสังขารในนี้เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดาบที่พระอาจารย์บอกเรื่องสติกับปัญญามาทําให้ทําให้แบบว่า มันยังคงความสงบได้นะคะอาจารย์ออกจากสมาธิอะไรเงี้ยค่ะกลับมาก็ดีดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ยังมีความสุ่ขเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แล้วก็วันนี้ยฟังพระอาจารย์พูดเลยค่ะก็ตัวเองมันรุ่นเดียวกับหมอแก้วภูริตนะคะที่พระอาจารย์แบอกวฟังกับหมอแก้วใช่ไหมคะที่รู้จักรู้จักครับคุณนรแต่ว่าไม่ได้สนหมอแก้วูรุ่นเดียวกันใช่รุ่นเดียวกัน เคยเจอเขาที่สุริยกิตครั้งหนึ่งคือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เพราะผู้ชายอะก็คือไม่ค่อยสนเท่าไหร่แต่ ร, รุ่นเดียวกันเขาเนี่ยใส่ดีค่ะและ้วแล้วก็อีกอันหนึ่งนะพระอาจารย์เนี่ยเขากราบเรียนพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วที่คณะพันธุ์แพทย์จุฬาค่ะก็จะมีพิพิธภัณฑ์มนุษย์ถ้าใครอยากจะไปดูของจริงอะแต่มันจะมันจะไม่ใช่แบบสดแบบผาสดนะคะแต่จะเป็นเหมือนกับอาจารย์นะอาจารย์ใหญ่อะเขาก็จะเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์มนุษย์จะอยู่ชั้น๙ได้นจัด ถ้าอยากจะไปดูส้ำคาในพิจ น, นาร่างกายเข้าไปดูได้ก็มีวัวนจันทร์พุธเปิด10โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็วันพุธเปิด10โมงถึงเที่ยงก็คือมีแค่3วันนะคะจันทร์พุธศุกร์ไปดูได้ฟรีเลยค่ะ<ม>ก็ตั้ปบเอาไว้แล้วก็ไม่น่ากัวเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นอาจารย์ใหญ่่พระอาจารย์ก็จะมีหลายร่างเลยพระอาจารย์นะคะคยังมีเขาอะไรพระอาจารย์ทําตออ อาจารย์อืมโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะทำต่อทุกวันทำไปไเรื่อยๆสติปัญญาสองอย่างจะได้ไปวัดเดี๋ยวเตรียมไปวัดค่ะเตรียมโอเค่ไปที่คุณแนนต่อคุณแนนอุดรธานี้่ะา ก, กรารรัชกาลค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะคนอ้อมจะบอวินชร ในมาศการค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคยังไปที่คุณยินดีที่แก์ซสคุณยินดีหริกเป่าอาจารย์สวัสดีค่ะเดวิดฝากกราบเหมือนเดิมค่ะเช่นเดิมการแบบร้องเต้นเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคำถานอาจารยราข์ขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะโอเคไปที่คุ ณ, คณยินคุคนหญิงวยไลพ พุทธ <c oughs> มนตรสายสองกลับมาเทศการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหายหน้าไปนานได้มาเห็นพระอาจารย์และอบอุ่นคะ่ะเหมือนได้เห็นคุณพ่อค่ะพระอาจารย์พอดียมไปอบรมด้านการเกษตรปลูกผักปลูกผักคะ่ะพระอาจารย์<ม>แล้ว<ม>ยอมเห็นเขาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดไก่อ่ะคะ่ะยมก็เลยเพิ่งเข้าใจก็ถามถามคนที่ เลี้ยอะค่ะถามบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราปล่อยไข่ไว้เนี่ยไข่มันมันจะฟักไหมก็เพิ่งทราบอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเขาจะเลี้ยงเฉพาะตัวเมียซึ่งมันจะออกไข่เองค่ะพระอาจารย์โดยโดยที่ไม่มีตัวผู้มามบบใช่ค่ะอ๋อเลยเข้าใจอ๋อที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาเลี้ยงเป็ดไก่ให้เลือกดูว่าเป็นเฉพาะออกไข่หรือเปล่าก็าคือตรงนี้เอง ตอนแรกโยมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมันออกไข่ได้อ๋อคือถ้าเป็นตัวเมียเขาจะออกไข่ของเขาเองค่ะใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์ไปก็อนนาพศที่ว่าน่าจะไปทำปํำเกษตรแต่ว่าโยมก็มีความคิดว่าการทําเกษตรอะเราสาบแบบเราเราถือสินห้าเราไม่ฆ่าสาัตว์เแต่ถ้าเราทําเกษตรมันหนีไม่พ้นป่ะคะพระอาจารย์มันก็ต้องมีพวกแมลงอะไ ร, ะไรพวกนี้ใช่อันนี้แหละคะ่ะนอนใช่เดือนอะไรเวลาเราเนขุดดินอะไรมันก็อาจจะต้อง แต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องแต่ถ้าเราไม่ทําได้ก็ดีไปเราทำอาชีพอย่างอื่นดีกว่ายมยมมีที่แล้วยมคิดว่าคือสารสารคิดเกษตรผักเด๋วนี้มันน่ากลัวมากพระอาจารย์ก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเราเกษียณแล้วเราคิดว่าเราจะไปอยู่ไปอยู่สวนแบบนั้นยมก็ยังคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเราทํามันจะบากแน่ๆมันมันหนีไม่พ้นใช่ไหมพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เขามีแบบปลูก ปลูใช้นุ้์ในในน้ำใช้น้ำอ๋ไรโอ้ใช้น้ำแล้วก็ใส่สารอาหารเข้าไปในน้ำไงมันก็เราก็ขึ้นได้ไม่ต้องใช้ดินอ๋อถ้าดินมันเลี่ยงไม่พ้นนะพระอาจารย์เนาะตอนที่ไม่อาจจะมันก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะต้องไปดูดดินนะฮะดูดดินบางทีก็มดบ้างอะไรบ้างได้ใช่ใช่พระอาจารย์ต้อง อก็เหมือนก็ไปซื้อที่ตลาดง่ายกว่าหมดเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราใช่ของของง่ายให้เป็นของยากทําไมก็ไปซื้อของที่วขาขยในตลาดเราไม่ได้ไปสั่งเ้าให้ไปทําให้เราแล้วเราก็ไม่มีส่วนใครอยากจะทําก็เรื่องของเ้าไปงั้นถ้าเราปลูกแต่เราใช้เกษตรอินทรีย์ซึ่งเราใช้ป้องกันเราไล่เขาเราไม่ทํำลายเขา ได้เหมือนกันใช่ไหมพระาจารย์ก็ทําให้ทำให้เขาเสียชีวิตก็ใช้ได้กอการมุก็ได้ปกไว้ในใช่ค่ะปมูกปูกในมูกเอยไตไปเวลาทำปุ๋ยข้อปุ๋ยเอาเว<า>ลามาปฏิบัติทำให้ดีกว่า <laughs> เลย <laughs> ไม่พระอาจารโยม โยมโยมกะว่าคืออนาคตถ้าโยมไม่มีพระไม่มีพันธะอะไรแล้วลูกไม่ต้องดูแลแล้วโยมมีที่เกษตรโยมก็จะไปอยู่ของโยมแบบนั้นอย่างนั้นเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ตั้งสี่สิบกว่าไร่พระอาจารย์แล้วเราจะปลูกคือโยมมีความคิดว่าโยมอยากทาที่ที่ที่ปฏิบัติที่ปิวิเวกเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะพันธ์แต่ว่าโยมไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดพระอาจารย์เป็นความคิดคาอยู่ในใจตลอดพระอาจารย์ มันก็เป็นเรื่องที่มันทําได้แต่มันมั น, ม, นมันเหมาะกับสำหรับคนที่เอได้มารียนรู้ทำแล้วไปทําจะดีกว่าที่ยังไม่มารรู้ทําเพื่อจะ ไ, ไม่นะยึติดกับที่และต้องไ ป, ปะะดูแลรักษาดูแลจัดการนั้นมันจะไม่มีเวลาไปปฏิบัตินีงค่ะอาจารย์<ม>ก็ปลูกไว้ของเราเองไว้ตอนสุดท้ายยามแก่ใช่ไหมาอาจารย์ค่ะ แต่ปฏิบัติธรรมจริงๆง่าจะไปอยู่สำนักไปอยู่ที่วัดอะไรดีกว่างนะไปมันไปมีกลุ่มก้อนเป็นคนที่ค่อยดูแลกันได้เพระาะเวลาต่อไปแก่เท่าไหรด้ค่ะพระอาจารย์เโา ย, ยงเรา ม, มีมีกฎมีระเบียบ ม, มีอะไรเยอะแยะวะดีกบ่าที่เราจะอยู่คนเดียวค่ะพระอาจาร ย, ย์โนงค่อยคิดอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะ โยมก็เนี่ยเป็นโยมก็คิดอยู่ตลอดว่าจะเอาอยัางไงเอาอยัางไงแล้วที่มันมีอยู่แล้วพระอาจารย์แล้วก็บริจาคไปทำไปฏิบ้างแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมไม่พอละไม่เป็นธรรมัร <c oughs> <c oughs> ะเราบราิจาคพระอาจารย์ให้เราไม่มีเวลาปฏิบัติใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันเช่าค่ะโย ม, จ ะ, มจะไปแล้เราก็จะไปยื่นไปติดกับมันแล้วคอยแบกภาระที่มาแล้วจะมาได้ จะเหนื่อยอีกชใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ทันที่เราเดินมาแล้วเราก็ไปไม่สุดใช่มันสวนกับทางที่พีเจ้าสอนให้ให้ปล่อย<ต>อให้ละไม่ยึดไม่ไม่ให้มีอะไรเลยให้ไม่อยู่กับตัวเปล่าๆดีสุดได้ครับพระอาจารย์โยมคิดใหม่อีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่ะค่ะพระอาจารย์ กลบเขาพราะคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่ทุกเช้าตอนนี้ร่างกายเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็เริ่มกลับมาตื่นตีสามตีสี่แล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เช้าเหมือนเดิมแล้วช่ะโอเคสาธุค่ะพระอาจารย์คุณก็จบ้าบริเวณก็หาหน้านาะคพระอาจารย์ก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพค่พระาอาจารย์อยงอยู่กรุงเทพเหรอครับพระอาจารย์ ก็มาทํางานครับครับก็วันนี้มีคําถามถามพระอาจารย์ครับเรื่องเรื่องความความโกรธครับพระอาจารย์คือผมผมเคยฟังว่าพระอาจารย์บอกว่ามันเราจะมีความโกรธไปจนถึงขนาดพระต้องต้องเป็นสําเร็จพระอรหันต์ใช่ครับความโกรธมันจะมีความอยากอยู่มันก็จะทำให้เราโกรธได้ถ้าไม่โกรธก็ต้องไม่มีความอยาก ไม่มีความอยากก็ต้องเป็นผ้าละนะครับแล้วถ้าแบบนี้มันหลับเราสามารถดัดได้ไหมจากที่แบบสมมติว่าเราเป็นคนใจร้อนมากๆเงี้ยแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วก็แบบแผ่เมตตาไปเจริญมันต้องลดความอยา ก, ยากมันต้องลดความอยากนั่นนั่นมันจกล้าไปเวลาโกรธแล้วต้องไปแก้ที่ต้นเหตุอย่าไม่มีความอยากยินดีตามมีตามเกิดแล้วมันจะไม่โกรธใคร ครับถึงถึงเราเป็นบุรุษชนอยู่ว่าเราก็สามารถทําได้เราก็ทำได้หมายถึงว่ามันมันมันก็จะดัดเราดีขึ้นได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เราอย่าไปอยากได้อะไรจากใครมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไปโกรธใครนะที่ไปโกรธเขาก็พ่ออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่าไปอยากได้อยากได้อะไรจากใคร่อนี่ ครับแต่ว่าคือมันก็จะจัดเลยแล้วเสื่อมใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่ถ้าเราไม่เราไม่ควบความอยากมันก็มันก็มันก็นกยังไม่หมดเลยถ้าเราควบความอยากได้มันก็หมดนะครับอาจารย์แต่ว่าเราถึงเราไม่อยากแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราได้ใช่ไหม อ้าวเขาก็ทําหน้าที่ไปเี๋มีงานทําอะไรก็ทําไปไม่เกี่ยวกับความอยากอะไรครับอืที่เป็นหน้าที่ก็เป็นเรื่องไปเหตุเป็นผลเราก็ทําไปตามเหตุตามผลเวลาทํางานก็อย่าประยาให้คนนั้นมันเป็นอย่างานั้นเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันทำในหน้าที่อะไรเราก็ทําไปเราก็เหมือนถึงว่าเรามันก็เหมือนเราปฏิบัติไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ เออก็เหมือนกับพาดนบินธ บ, บาดเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีความอยากให้คนใส่บาตรแล้วไม่ใส่บาตรใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็รม่ของเขานมีหน้าที่บิน บ, บาดเดินไปะมีนหน้าที่ทํางานก็ทําไปสิ้นเดือนเขาก็จ่ายเงินเดือนให้เราแเราก็รับไปเะฉะนับ ยินดีตามมีตามเกิดนั่นจะไม่ทุกข์จะไม่โกรธใครที่โกรธเพราะว่าโลกอยากให้เขาขึ้นเงินเดือนให้เพราะเขาไม่ขึ้นก็โกรธเขาครับบางทีมันแบบมันเหมือนกับยังขับรถอย่านี้พ่าชฉันการขับรถอย่างนี้ยมันแบบมันชัดเจนมากเลยว่าแบบอารมณ์มันขึ้นมาเยอะมากเพราะเราก็อยากไปเร็วๆเราก็ไม่อยากให้เขามันตัดหน้าเรา ไมให้เขามาแซงซ้ายเราเราก็ทำก็โก้ครับแล้วก็อย่าประหยัเดเลยแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆถึงก็ช่างไม่ถึงหน้าช่างครับเปิดเวลาไว้เยะหน่อยสิเปิดเวลาสักชั่วโมงมันจะได้ไม่รีบเนาะไปสบายสบายไม่ยามเปิด เ, เวลากันนะแล้วก็ไปแย่งกับบนทานน่าถนน ถ้าเปิดเวลาไม่สบายใจเย็นแล้วก็ขับรถไปกับพุโทโธพุทโรไป<อ>แต่มันก็มันมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอาจารย์ที่แบบหมยายถึงว่าถ้าเรายัางปฏิบัติไป <c oughs> เราจะยิ่งเห็นความไม่ดีในตัวเองอครับใช่ไหมครับ มันก็เห็นทั้งสองอย่างไม่ดีก็เห็นดีก็เห็นมัราิลหันมาดูตัวเราเองเมื่อก่อนเราชอบไปดูคนอือ่นทีนี้เรามีสติสติก็เดินให้กลับมาดูตัวเราเป็นสออ่วนใหญ่ครับจะบางครั้งผมรู้สึกว่ามันกับมันจะชอบซ้ําเติมครับนาจังเฮ้ยทำไมเราถึงไปโกรธเขาเนี่ยมันก็ญหงุดหงิดนะครับญหงุดหงิดซ้ำเนี้ยเ่อ ก็เรายังไปอยากอยากที่ว่าเราดีไหมเราก็เลยหมดยึดเวลาเราซ้ําเติมตัวเราเองอืมเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยเราก็ยอมรับความจริงไม่ดีก็ยอมรับว่าเราไม่ดีอืมครับไม่หมดยึดทำไมจะได้แก้ไขได้ถ้าเราไม่ยอมและยอมรับว่าเราไม่ดีเราก็จะไม่แก้ไขตัวเราเอง เราก็อยากจะทำไม่ดีต่อไปได้การเห็นโทษตัวเองงานดีเป็นมุ่งหยิบทำไมแล้วเราจะได้แก้ไขได้เวลาคุณมองกระจกคุณเห็นว่ามีมีมีมรอยแปะเปื้อนคุณว่าดีไหมล่ะเลามองหน้าในกระจกแต่งเนื้อแต่ตัวผมมีผมยุ่งผมอะไรนี่ถ้เห็นอ่อผมมีไม่เรียบนี่ มีผมซหน่อยให้มันเรียบร้อย่างนี้ไม่ดีเลยเป็นความบกพรองของตัวเองใช่ไหมะจะไม่งอเยียดทํามาดีจะได้แก้ไขให้มันดีได้อันนี้อันนี้เขาที่เขาเรียกกันว่าติตดติดดีหรือเปล่าอาจารย์ไม่ติดหรอกมันเป็นความจริงนทุกคนก็อยากจะดีกนะันทั้งนั้นแะแมืนครับเราก็ต้อง แล้วก็ต้องคอยสำรวจวตัว เ, เองแต่ว่าต้องสํารวจตัวเราเองสํารวจกายว่าจใจของเรามาเราคิดดีพูดดีทำดีหรือไม่ครับถ้าไม่ดีก็จะได้หยุดมันเนี่ยคิดร้ายชอบไปดอโกรธตัวเองก็ก็ไม่ดีก็อย่าไปโกรธตัวเองเลยไปโกรธตัวเองทำไมครับ แสดงว่า่ยอมรับความจริงไม่อยอมรับว่าตัวเองไม่ดีครับเข้าใจแล้วครับโอเคนะโอเคครับอาจารย์อาจารย์จะถามใจนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมผมเคยฟังครูบาอาจารย์บอกว่ า, าสัมมาสา ม, มาธิเนี่ยมันมันมันช่วยดับนิสัยเราได้ครับ <Okay. S 2> ก็คือก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับทำไปเรื่อยๆอย่าง อย่างถ้าบอกว่แบบคนใจร้อนมากๆเลยนะครับแล้วแบบจะปฏิบัติเปลี่ยนเป็นแบบคนแบบสุขุมใจเย็นเลยนะครับได้ก็ไม่สมาี่จะเป็นคนใจเย็นกว่าคนทด่ไม่มีสมาธินี่คือมัน ม, มันไมนเบงการใช่ไหมครับก็มีสมาธิมีอุเบกขามันก็มันก็จะเฉยๆได้ใครจะปาดหน้าก็เฉยใครจะแซงซ้ายก็เฉยใครจะบีบแตะถ่ายก็เฉยนะครับ ครับคืออย่างคนใจร้อนอยู่เราไปปฏิบัติเนี่ยมันมันดัดไปถึงตรงนั้นได้ไหมครับได้แต่มันไม่ใช่ง่ายง่ายง่ายาวละหันกันหมดแล้วการปฏิบัติก็ดัดลิ้นใให้เป็นข้าวละหันกันนะครับครับอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปไม่อยุดนะครับโอเคนี่ถามเธอครั่ะคุณน้อยนันทิดาเช่นกรธรรม ตามธรรมสตร์ ก, กรพระอาจารย์เจ้จขาข่าวพระอาจารย์ก็ยั ง, งมีคําถามาที่เจ้า่าวพะอาจารย์คือพอดช่วงนี้ก็มีแบบเ อ, อผู้ที่มาแนะนําการปฏิบัตินิดนึงเจ้ขาข่าะอาจารย์ว่าคือถ้าเกิดว่าเราเคยเหมือนเ อ, อเข้าสู่สภาวะที่มันเหมือนเวงว่างว่างเปล่าแบบอวกาศเนี่ยเจ้ขาข่าะอาจารย์ก็คือเราสามารถนําเ อ, อถ้าเราจําอารมณ์ตรงนี้ได้เราสามารถที่จะระลึกเออ่อย่างต่อนเนื่อง มันไม่ได้อยู่ที่ความจำมันไม่ด้อยู่ที่ความจมถ้าจําว่าเราเคยมีเงินล้านแล้วนึกวา่าเงินลามันจะกลับมาหาเรามัอืม่หรอกมันอยู่ที่การกระทําราต้วเรารู้ว่าวิธีทําให้มันว่างทํำยังไงแล้วทุกครั้งที่เราต้องการความมากเราก็ไม่ทําอย่างนั้นเป็นคนเปิดไฟเปิดสวิทไฟไฟก็ติดใช่ไหมครั้งหน้าคุณไม่เปิดสวิทคุณไม่เห็นนึกถึง ถึงแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นใาเอหรือเปล่ามันนัื่องเหตุเรื่องผลอามารย์นะภาวะความสงบกเกิดจากการมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดต้องหยุดคิดเป็นสวิต ท, ที่ความคิดอ้าหยุดคิดได้มันก็ว่า ไ, ได้ต้องฝึกไหมทฤษฎีแปลกๆเยอะๆพวกปฏิบัติพวก เราคผมไม่รู้จะว่าไงจะว่าปฏิบัติก็ไม่ใช่นะพวกที่พวกทฤษฎีกันมากกว่าพวกคารคะนพวกดาวมันนะั้นมากกันไปอืแล้วค่าวพระจานทร์แล้ว ก, ก็พระจันทร์เจ้าข่าคือเรื่องของความสงบเนี่ยคือมันมันจะเกิดขึ้ น, นยากเมื่อแบบเหมือนกรรมฐานเช่นแบบลมหายใจมันหา ย, ห, ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันถึงจะ เป็นความสงบหรือเปล่าจะข่าวพัจจานหรือว่าจริงมันก็แบบไม่ระดับมันจะปล่อยหมดเนี่ยเวลามัาเข้าสู่ความสงบมันจะกลับเข้าไปในใจแล้วมันก็เหมือนกับแยกของชั้นร่างกายชั่วขาวอืมสูค่ะอันนี้ก็คาดันณีไม่ได้มันต้องปฏิบัติเองพูดไปก็พูดไปมันก็ไม่เกิดให้มาที่สติถ้าอนาปานสติก็ดูลมมาอย่างเดียว อย่าให้มันไปคิดเรื่องหนึ่งนะอล้วเดี๋ยวมันโด่งเองมันด่แล้วมานเล้าอ๋อเองไม่ต้องไปนั่งคิดให้เสียเวลาไม่ไม่นั่งวาดภาพให้เสียเวลาเจ้าของอาจารย์พอใจไหมแล้วก็ขออนุญาตถามเกี่ยวกับเอ่อความเคลิม้มกับความสงบอะค่ะอาจารย์ความแตกต่างไหมจ๊คะความเคลมมันเป็นมแบบลักษณะแบบ ไม่ค่ยมีสติแ ล, ล้วบางเรืองเครื่อเดี๋ยวก็เราจะเริ่มเข้าสู่แล้วเราหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นไปแล้วเดี๋ยวก็หลับไปสติอ่อนลงก็เครื่องถ้ามีสติมันก็จะเหมือนเราล่าคุเห็นตอนเนี้เราเล่ามีสติเต็มร้อยใช่ัหมแต่ถ้าเราไม่ได้พูดนั่งฟังไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันอาจจะเครื่องอะไรสติเราหายไปแเ้าฟังไปฟังม า, ฟ, งมาฟังไม่มเบื่องเบื้องมา เคลิมหลับไหมเออค่ะแล้วเราก็ต้องเหมือนเล่งความเพียรในการที่จะระลึระรกอารมณ์กรรมฐานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจ้าค่ะอาจารย์ถ้าถ้าจุดที่เราเคลิม อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเร า, าเราู้เราเคเลิมกัวมันปัญหาคือมันจะไม่รู้ในเวลามันเคลิมเพราะมันสติตัวรูปแบบเราว่าราเคลิมมันก็ไลยเคลิมเ อ, อค่ะบางทีต้องอาสายสักที่มาคอยเขยเ่า สติเราไปอยู่ที่มันน่ากลัวมันจะไม่ค่อยเคลิ้มเท่เาไหร่บางทุกษาให้ไปนั่งสมาธิในป่าชาในป่าเปี่ยวเลไรอย่างเงี้ยมีผ้าจา์บางรูกท่านไปนั่งที่หน้าเหวเลยถ้าเคลิ้มก็หัวที่มันตกเหวไปเลยเดันั้วมันไม่เคลิ้มเรไม่กล้าเคลิ้มสติมันมาความทุกข์ความกลัวตายมันจะทําให้เกิดในสติขึ้นมาอย่างเต็มที่เลย ใช่คถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยสบายๆเนี่ยมันก็เคร่งที่สุขทาง ส, สุขทางการเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อาการการลงเพนเห็นว่ามันจะยากว่าความเพนใน ใ, ในวางไม่ไดีไปน ะ, ะสบายมีกินมีอะไรทุกอย่างแต่มันมันไม่ อ, อํานวยมันไม่วเว้ เราไม่หวังเวงเรไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นให้คอยมีความระมัดระวั <cera> งนะเจ้าค่ะเาไปอยู่ในป่าด้วยเราไปทดสอบหนึ่งเจ้าค่ะเปรียบเทียบดีกว่าเจ้าค่ะ้าค่ะพระอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะอาจารย์ว่าเออแล้วถ้าอารมณ์้งาน่เจ้าค่ะอาจารย์เราจะกาจัดยัุ้่านเลยยันั่งสมาธิอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ ก็ดูร่มไม่ได้แล้วก็ใช้ทำบ ร, ากา ร, ริการผูร้ใช้ใชาการสวงเงินป็นต่อแล้ระับการบูรณานะรับตามที่ต่างเจ้าค่ะ่อนอทีพีสเสิร์ฟไปหลา ย, ลายราบมาได้เป็นการย้าทุ่งทางกำบัญญนลงเลยเจ้า ค, ค่ะไม่อยู่นะ อาจารย์อาคร์นป้ไมเอ๋อยังยังไม่มาถึงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าทางคงขคงเข้าเจ้าค่ะขอบคุณนิยมเขามีเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณไปที่คุณสภาพัาที่เท็กซัสเดสอยนาวเนี่ยนมเ้ค่ะกลับธรรมสกานพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่ไม่ลบเท่าไหร่ไม่ทราบอ่ะเจ้าค่ะตอนนี้เมื่อคืนหิมะตกเจ้าค่ะโอ้โเท็กซัสหิมะตกเป็นน้ำเลยฮะนิดหน่อยแต่ว่าตกแป๊บเดียวเจ้าค่ะประมาณสองชั่วโมงตอนกลางคืนก็ก็หายแล้วเจ้าค่ะแต่เย็นนิดนึงวันนี้กันเลยเช้านี้ก็เลยต้องเปิดทวตเตอร์ในห้องอ๋อไม่ยุ่นี่ขนานี่ขนาเปิดทวตเตอร์มันเป็นตัวเล็กๆอ่ะเจ้าค่ะไม่ได้เปิดแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้าค่ะ อยู่กับสามีเจ้าค่ะก็คนละห้องเปิดกันคนละห้องตัวเล็กๆกันเจ้าค่ะเอาไว้ในห้องเฉยๆส่วนห้องอื่นก็ไม่เปิดเจ้าค่ะใช้ไฟได้ไหอใช้แก๊สไหใช้ไฟเจ้าค่ะใช้ไฟใช้ไฟเจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็ก็ดูโครงกระดูกอย่าง ใช้เป็นตัวเป็นกรรมฐานของลูกอะเจ้าค่ ะ, ะก็เลยเพิ่งทำให้รู้ว่าโอ๊ยเราอยู่กับโครงกระดูกมาตั้งแต่เกิดที่อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อยู่วันที่แต่เกิดเนี่ยแล้วเพิ่งเพิ่งรูอรู้งอมานานนกู อ, อยู่กับเราง้อมานานนกลัวของกระดูแล้วกันแห้งโครงกระดูกโอ้ยตกใจกลัวกันเจ้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วลูกค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะปฏิบัติค่อนข้างจะฝึกได้ดีแต่ว่าสัปดาห์นี้รู้สึกว่ากิเลสมันเข้ามาแล้วมันเห็นความอยากแบบมันดึงกันไปดึงกันมามากเลยเจ้าค่ะกับโครงกระดูกกับความอยากหนึงใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยเพิ่งเห็นว่าโอ้จริงๆคือคือสังเกตได้ว่าถ้าถ้าไม่นึกภาพโครงกระดูกก็จะมเป็นกิเลสมันก็เลยมันก็เลยไหมือนเลยใช่เจ้าค่ะจะสลับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยทําให้เห็นชัดว่า อ๋อคือคือถ้าเราไม่เห็นภาพโครงกระดูกก็แปลว่าเรามีกิเลสคือเป็นนึกถึงความอยากอย่างอื่นแล้วว่าเจ้าค่ะกลงก็เลยดึงกันไปดึงกันมาเห็นชัดขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เลยทําให้รู้ว่าโอเราอยู่กับโครงกระดูกแต่เราไม่ยอมอยู่กับมันมันอยู่กับเราแต่เราไม่อยู่กับมันเจ้าค่ะพยายามแบบจะออกเจ้าค่ะแต่แต่ทําให้เห็นชัดก็เลยคิดว่าเออลูกใช้ภาพโครงกระดูก รู้สึกจะหมาะกับลูกอ่ะเจ้าค่ะจะจะหมาะถ้ามันทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านกันดีไม่คิดไม่อยากได้ก็ดีเจ้าค่ะบางทีก็เหมือนกับแบบอย่างสัปดาห์ที่แล้วมันเวลาลูกเห็นนะเจ้าค่ะแล้วมันก็คือไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ยิ้มมาแล้วค่ะหน้าลูกมันก็ยิ้มออกมาเจ้าค่ะเห็นโครงกระดูกก็ยิ้มแบบยิ้มแล้วก็เพลินกับโครงกระดูกไปอะเจ้าค่ะมีอยู่พักหึสัปดาห์ที่แล้วอะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ ก็เลยคิดว่าจะลองใช้กรรมฐานตัวนี้ยเจ้าค่ะต้องทำแบบในสมัยพุทธกาล ร, รู้สึกจะมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีคนมีคนวิ่งหนีตำรวจมาแล้วไงแล้วตำรวจตามมาพอดีมาเจอผ <c oughs> ้ารูปหนึ่งก็ถามผ้าเห็นเห็นคนนั้นว่าทางนี้ไหม้องบอกเห็นแต่ครงก็ดูกรูปอื็นใคร <c oughs> เจค่ะเดี๋ยวถ้าลูกบอว่าลูกมองตัวเองชัดขึ้นลูกจะพยายามมองคนอื่นอย่างที่พระอาจารย์สอนด้วยเจ้าค่ะ เ, เพราะว่าลูกคิดว่าถ้ามองคนอื่นเป็นโครงกระดูกด้วยจะทำให้เรามีอารมณ์น้อยลงคือคือทุกอย่างมันเป็นโครงกระดูกหมดก็จะไม่มีอารมณ์มอะไร <laughs> ไม่รจะเป็นได้กับโครงกระดูกทำามไม่รู้จะโมโหทำไมไม่รู้ไม่รู้จะมีอะไรเพราะว่าขนาดตัวเราบางที่พอ ม, มองเป็นโครงกระดูกแล้วมันก็สงบลงแบบปุ๊บเลยอะเจ้าค่ะก็เลยทําให้แบบอุ๊ยท่านเรามองเห็นโครงกระดูกตัวเราเองได้นานขึ้นแล้วเรามองคนอื่นเราคงไม่มีอารมณ์กับกับอะไร อ, อ, อะเจ้าค่ะมองทั้งเขามองทั้งเรามันจะได้มันจะได้สัมพันาากันเจ้าค่ะ ลูกลูกจะใช้กรรมฐานองคนี้เออ่ฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะคิดว่าน่าจะเหมาะกับลูกก่บเจ้าค่ะลูกเห็นทางมากขึ้นนะเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะก็ดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้ก่อนนะเจ้าค่ะก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะล้มลุกคู่คนไปก่อนแล้ล้มลุกคู่คนเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะถึงเงินตายเงินตายแต่เหมือนเต่าปฏิบัติเหมือนเต่าไม่หยุดยั้ง น้องกลับมากสกการ์ค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ฝึกตัวเองอยู่ค่ะพระอาจารย์รอดวมาไหมรอดมาค่ะเรื่องความเมตตาเน ะ, ะ่ยค่ะแต่กับลูกน้องอกับลูกน้องตั้งแต่ตั้งแต่คุยกับเนคุยกับพระอาจารย์ในสุมาทั้งก่อนก็ก็ดีขึ้นอมไม่ได้ดุใคร พยายามพยายามมองมุมกลับว่าถ้าเราถ้าเราเป็นเขาเราจะทำอะไรกับเขาอย่างไรดีค่ะก็หนูก็เนื่อยอย่างนี้ น, นะคะแต่วันนี้ก็มีหลุดนะคะพระอาจารย์ไปดูแฟนแทนนะคะก็ก <laughs> <laughs> <laughs> ็ประมาณว่าเกิดจากความอยากนั่นแหละค่ะพระอาจารย์โยมไม่ไม่รู้เรื่องการซื้อของไม่รู้เรื่องสินค้าอะไรอย่างนี้นคะ่ะโยมก็ถามเขาแล้วเขาก็ เหมือนกับเขาจะพยายามดันให้เราไปค้นหาเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เป็นค่<า>ะแต่โยมก็อยากตแต่โ ย, ย, ยมก็อยากได้คําตอบที่มันเร็วกว่า น, นี้ก็คือถามเขาถ้าเขาตอบมาล้วมันก็จบละอันนี้เขาก็ยืดเยื้อยึกยากอยู่ยยยยนั่นแหละโยมก็ฝากไปเส้น ห, นหนึ่งทีพอนื้อขึ้นได้โยมก็เอ้ยหนึ่งพอละอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กดต่อแล้วค่ะพระอาจารย์ อ, อันนี้ถือว่ายังยังดีใช่ไหมคะพระอาจารย์ ก็ก็ดีดีกว่าไปไปไปต่อความยาวสาวความยืดรู้ลรงผิดพลานไ้วก็หยุดนะค่ะยมหยุดได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็แต่การลกับลูกน้องก็ไม่ไม่ไม่ดุค่ะพระอาจารย์กับลูกน้องก็ดีขึ้นรู้สึกว่ามีสติมากขึ้น ค, คือคพอปากมันจะไปใจมันก็จึยานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ดี้าจริงถ้า ม, มีความจเป็นนั่งบอกเขาบอกเขาได้แต่ตั้งสติให้ดีก่อนแล้วค่อพูดค่ะค่ะพระอาจารย์ก็คันถูกคือถูกถกบอกกันได้อย่าใช่อารมณ์ใส่ค่ะพระอาจารย์น้อมรับไปปฏิบัติเขาพระอาจารย์อันนี้ไม่ถอะไรนี่แค่นี้นะคะ่ะอาจารย์าาอยาจารย์น้ำแป้อุ่นแปวนไล่สามยนี้คนนี้ชอบสุตสามยนไม่เหมือนกัน <laughs> สามยอนี่หนูทําได้แล้วนะคะคนที่เขาหนูเคยมีปัญหาเขาไปบ่อยเขาว่ามาคุยมาคุยเล่นกับหนูแล้วแล้วหนูก็เรียกเขาว่าแม่แม่แมอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาชอบก็ก็ดีค่ะทีเนี้ยหนูก็เลยใช้ปัญญานะคะที่ที่ที่แล้วก็ได้เรียนพราอาจาชันหนูหนูมาเจอหนูมาเจอเอายตนะเอ่าคือตาหูจมูกลิน้ไนไตอะไรเงี้ยค่ะตัวที่สองคือ ความคิดสังขารและตัวที่สามคือเวทนาคือความรู้สึกอ mm hmm. มีคนมาพูดกับเราเยอะๆเนี่ยเราก็เหมือนไข้เขว้แลเหมือนมันจะมีความรู้สึกเกิดกิเลสพอพอในใจเรามันคิดมาถึงสามตัวว่าพ อ, อเราไปฟังเราก็เลยคิดพอคิดเสร็จปุ๊บเราก็แสดงความรู้สึกหนูก็เลยใช้ตัวที่พระอาจารย์เคยสอนว่าเดี๋ยวเราก็ตายไงค่ะมันก็ mm hmm. หยุดทุกเลยค่ะ ม, มันก็ก็เป็นการใช้ปัญญาใช้ปัญญาในทุกอย่างมันไม่เทียมใ<ะ>ช่ไค่ะชีวิตเราเป็นเหมือนเป็นเหมือนนองละครเล่นละครกันไปวันวอย่างนี้อย่งนี้ก็จดค่ะใช่ใช่คําเหมือนเวลาไปทํางานเมื่อก่อนหนูหนูไม่ชอบที่หนูเขา<อ>จีนเขาจางหนุ่มนคน<ะ>เรื่องชีวิต น, นี้เป็นของจริงของจางเราเป็นเราตายกันค่ะไม่ได้มันเป็นของเล่นมากกว่ชีวิตยองเาอ่างนี้นะ ก็ก็มีมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นหนึ่งเช่นเรื่องเรื่องเรื่องเงินพิเศษเนี่ยค่ะที่เคยเรียนแจ้งพระอาจารย์ไปก็มีคนนุ่นคนนี้พูดเยอะจนหนูก็บอกว่าเออฟังแล้วก็หยุดไปก็เฉยเฉยไปส่วนของหนูก็เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าได้มาก็เอาเงินไปทําบุญไงคะ่ะมันก็เลยรู้สึกดิ่งอืมค่ะมันก็เลยตัดความโลืกไปได้มากมเลยถ้าไดนก็ไปทำบุญให้หมดมไม่อยากจะได้มามทํำไม ตอนแรกหนูตั้งใจไว้สองกองกองนึงเก็บไว้ให้ลู่อีกกองนึงที่เหลือก็ไปทําบุญหมดเลยแล้วพอใครพูดอะไรหนูก็เฉยๆไม่มีอะไรเลยสบายใจค่ะเรคิดว่าน่าจะทํากันทํางานได้ดีขึ้นในเรื่องของการใช้ปัญญาแต่ว่าหนูก็จะไม่ลืมการมีสติแล้วก็การใช้สมาธิต่อเจ้าค่ะค่ะเขาก็คุณเจ้ค่ะคุณเกิดเป็นสัจกรอย่างวัดแพร่หายหน้าไปหลายวันนะคุณเกิด เสียงยังต้อเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์แล้วครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ครับกลับนะมาสักการะพระอาจารครับอ่ามาเลยงัน้ห น, หนหน้า ไ, น ไ, นไปหลายสัตยาอยู่ครับก็ปฏิบัติธรรมมามาเรื่อยๆครับนำธรรม ท, ที่พระอาจารย์ที่แชร์เข้าไปอินเทอร์เน็ตครับก็มาแชร์ในเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็อามาปฏิบัติอันไหนที่ที่มีความสําคัญเนี่ยก็จะพิจารณาให้ควรซักซอสามรอบแล้วก็เห็นว่าเออมันก็จริงตามที่พระอาจารย์ว่าจริงๆครับ แ ต, แต่ต้องปฏิบัติถ้าถ้าเราปฏิบัติแล้วมังจะเห็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเช่นการใช้เมตตาทานศีลเนคข ม, มะอุเบขาแล้วก็ปัญญาก็สามารถสามารถเป็นพัฒนาจะเป็นอระิยะบุคคลได้แต่ต้องต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นวันนี้อยากมาสนทนาเรื่องเรื่องที่พระอาจารย์สอนในอินเทอร์เน็ตบางอย่างนี่ ะอาจา์แค่แชร์ er เข้ามาเนี่ยผมสามารถรับรู้แล้วก็เข้าใจในความหมายของไพ่จ า, านที่ที่นำเสนอเอาประทำมาให้เข้าใจได้โดยง่ายครับแล้วก็อยากอยากอยากอยากแชร์ er ประสบการณ์นึงวพ่าอย่างหนึ่ ง, งก็คือเดีย๋ยวนี้มันมันเหมือนการชำระจิตใจมันมันบ่อยขึ้นมันถี่ขึ้นมันเหมือนกับ เราฟอกใจตัวเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสมันมันถี่ขึ้นครับเวลาเราเจอเหตุการณ์เช่นผมขายยาในร้านขายยาเนี่ยเจอลูกค้าเจอผู้ป่วยอะไรงเงี้ยครับก็จะสามารถปฏิบัติธรรมไปในตัวได้ด้วยครับ <rey> um. เช่นเช่นเช่นกันสมมติถ้าเข้าถ้าเขามาแบบอ่อย่างเช่นเสีย ง, งดังๆหน่อยเนี่ยเราเราก็จะเราก็จะใช้ความสงบ ยอมหยุดเย็นเหมือนที่อาจารย์สอนยอมยอมแพ้หยุดหยุดต่อโต้เย็นเย็นใจเย็นสมายหยุดความอยากของเราเองแก้ไขที่ตัวของเราเองก็คือความอยากของเราเนี้ยครับการมาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิภวิภาวตัญหามันก็สามารถทําให้ใจเราสงบเย็นแล้วก็ขายาได้อย่างปกติขยายยามอแล้วก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นด้วยครับใช่สติสติเราจะมากขึ้นการใช้ปัญญามันก็ต้องมีสติครับใช่ สตินี้สำคัญมากครับถ้าเราไม่มีสติแล้วมันจะหลุดไปหมดแล้วมันจะปุ้งซ่านเราจะหลงทางว่าใช่มันเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมาทำให้ใจเราเศร้หมองแต่ถ้าเราเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันยากหน่อยแต่ว่าต้องทำจริงๆครับต้องฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนทำได้แล้วต่อไปมันก็สบายแล้วมันจะเป็นโดยอัตโนมัติก็คือ สังเกตง่ายๆว่าบางอย่างเราไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนามันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างผมไม่ได้ทำไม่ได้เจตนาที่จะทำมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองเราก็ยอมรับผลกรรมไปดีใช่ต่อ้วต่อไปมันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นิสัยของเราไปเป็นนิสัยใช่มันติดติดกระจเราไปครับ สามารถฝึกต่อได้ได้ถ้ายังไม่เสร็จชั้นนี้ก็ไปต่อข้างหน้าต่อได้ใช่ครับมันเป็นแบบต่อเนื่องแต่ว่าเราเสือเรียนหนังสือเราย้ายย้ายจังหวัดแล้วเข้าไปเรียนต่อใช่ไปกรุงเทพพอดีนะถ้าตามหลังถึงกรุงเทพพอดีสุดแล้วครับมีอะไรไหมคุณดอวันนี้มาร่วมฟังทำแล้วก็ อามามาร่วมฟังธรรมของวายจารย์กับลูกสิธิ์ท่านอื่นๆครับก็แล้วก็มามาพิจารณาตัวเองด้วยขอบคุณมากครับวายจารย์ครับอ่ายินดีตัอนรั บ, บสาธุครับอาจารย์อาจารย์พัทตาพรของฉันกอธรรมอ่าก่อนมรรมสการครับอดีลูกป่วยพอดีไหนครับอดีลูกป่วยก็เลยก็เลยต้องมานอนโรงพยาบาลครับใช่ครับ ไม่ไม่ไม่ได้เป็นโควิดก็เป็น RSB ครับ uh huh. ครับครับแต่กี้วันนี้โยมก็มีคำถามพอดีว่าช่วงนี้โยมก็วุ่นวุ่นมากวุ่นวุ่นกับการทำงานแล้วมันแบบต้องใช้สมองแบบได้แล้วแบบโอ้โหสามวันติ ด, ต, ดติดที่มันต้องเค้นมาทุกหยดเนี่ยก็ได้การฝึกสติกับการนั่งสมาธิที่ช่วยผ่อนคลายจิตได้ครับแต่ก็ก็ก็เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ ก็ทําให้มองเห็นสัจธรรมหลายๆอย่างว่าแบบเออมันมันมันก็ทําไปมันก็แค่นั้นทําไปวันๆมันก็แค่นั้นคือเราเหนื่อยสามวันเดี๋ยวพอเดือนหน้าเราก็อาจจะต้องมาเหนื่อยแบบนี้อีกก็ก็พอจะเห็นสัจธรรมแต่ก็ก็ก็ต้องทําไปก่อนเนี่ยครับจนกว่ามันจะหมดภาระหน้าที่อาจจะมีภาระหน้าที่ก็ต้องทาไปครับครับครับ ชื่อมา ป, อปล่อยวางนิดห่งมาปฏิบัติปล่อยวางทุกอย่างนีดหนึ่งมครับครับก็พยายามอยู่เพราะว่าในการทํางานคือคือมันในชีวิตจริงมันก็ได้เจอของจริงก็เหมือนเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็อาจจะเจอของจริงเลยไม่ค่อยมีเวลาซ้อมอะไรอกันต้องอาจซ้อมบ่อยๆแล้วไปเจอของจริงก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายก็อาจจะสลับไปสลับมานะครับอืมก็ดีอืม บางทีใช้ใช้ใช้การใช้ข้อสอบนี่เป็นการทําข้อสอบไปเลยซอบไป <c oughs> ถ้ามันถูกบงังคับให้ทําข้อสอบก็ต้องทําพยายามใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาครั ก, ก็พยายามแต่ก็ก็จริงจริงก็แต่ก็อย่างอยาที่นําเรียนไปว่าก็มันก็อยากจะที่มีมีอยากให้มันบอยากได้ที่อยากสติได้สติได้สมาธิที่มันอค่อนข้างลึกซึ้งเพื่อที่จะ จะจะแก้ปัญหาหรือว่าสัตวพวกนี้ได้ได้ได้ง่ายได้ง่ายขึ้นบางทีก็ก็ทำได้ประเดี๋ยวประดาบบางทีก็เผลอตัวซะบ่อยก็ต้องมาทำกันว่าพิจารณาทุกอย่างเป็นใจรักอยู่เรื่อยๆครับเป็นสิ่งที่บางทีเราก็แก้ไขไม่ได้ต้องยอมรับสภาพไปยอมหยืดเย็นไป อก็ด้านการเป็นอีกเรื่องที่ ท, ที่ส่วนตัวที่ว่ายากเพราะเราคิดว่าด้วยความรู้ความสามารถในตําแหน่งแล้วก็ค่อนข้างจะคอนโทรลทุกอย่างได้เกือบหมดแต่พออะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้มันก็แอบมีความคิดนิดหนึ่งว่าว่ามันไม่ได้อืมก็เรายอมรับความเป็นจริงมันไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ทุกครั้งทุกเวลามันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่ต้องเจอเหตุการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําใจ ครับครับก้าทาใจได้เราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เครียดครับโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีเท่านี้คคคค่ครับนนกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณคุณชนะดาสมุดตอนนี้อยู่สมุดประการอยู่ที่ไหนอันนี้นามสการแล้วค่ะวันนี้อยู่สมุรประการค่ะอาจารย์ค่ะ เป็นยังไงไม่ได้เข้ามาหลายวันส้มอยู่ข้างนอกค่ะผาจารยอวันนี้มีคำถามเลยวันวันนี้หรอคะเผอิญว่าวันวันวันเดี๋ยวนะคะรูปไปปฏิบัติธรรมมาครั้งที่แล้วขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไม่สบายด้วยอะไรเงี้ยค่ะผาจารย์ก็เลยต้องถึงไม่ถึงสินแปดเพราะว่าต้องทานอาหารสามมื้อ แต่ก็จะกินแค่สละเปล่าลูกเดียวแล้วก็ผลไม้เล็กน้อยค่ะเพื่อให้ทานยาแค่ mm hmm. นั้นนะคะอาจารย์ mm hmm. แล้วคขก็โอเคแล้วพอปฏิบัติเสร็จกลับก็อาการเป่วยมันก็หายไปด้วยเลยค่ะอาจารย์ก็ก็ก็สู้กับอะไรอาการป่วยในคืนแรกอะไรเงี้ยที่ไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ลูกว่าก็พอได้อยู่นะคะอาจารย์ค่ะแล้ว ตอนนี้ลูกลู ก, ก็สู้เรื่องเรื่องกินนะคะ <c oughs> วันนี้วันนี้ก็ถือสินแปดใช่ไหมคะก็ไปแวะ บ, บ้านเพื่อนเพื่อนเขาก็ทานข้าวกันเมื่อเย็นนะคะก็นั่งดูเขากินเลยนั่งที่โต๊ะเดียวกันเลยจะนั่งดูเขากิน <c oughs> เขาก็กินโชว์ให้ดูว่าอร่อยเี้ยแต่ลูกลูกก็ดูนะพิจนาพิจนาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะสู้กันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะพัดซาน มีล่าสุดที่แบบฝันเอ่อฝันว่าที่เคยถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราฝันว่าเหอะขึ้นไปข้างบนนะคะพระอาจารย์แล้วเราไม่กล้าที่จะขึ้นไปข้างบนสูงๆเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลับมาอะไรอย่างเนี้ยค่ะเวลรูปฝันนะลูกก็นึกถึงตรงนี้เพราะลูกเหาะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะลูกก็นึกถึงตรงเนี้ยว่าถ้าถ้าไม่ปล่อยให้ หลุดขึ้นไปเลยเงี้ยมันก็ไม่ไม่ผ่านสักทีวันนั้นลูกก็เลยบอกแทนไปเลยจะไปสูงถึงไหนก็ไปเลยไปเลยไปให้มันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนตื่นขึ้นมาแต่จริงยังไม่ตื่นอะคะ่ะอาจารย์แล้วฝนก็ตกในในช่วงความรู้สึกตรงนั้นนะคะฝนก็เกิดตกแล้วก็มีมีมีอาการบอกว่าบรรุทำแล้วก็ แตื่นมาก็ก็รู้สึกดีนะคะแต่ไม่ได้เชื่อเราค่ะพอาจารย์ว่าบรรลุแต่ก็รู้สึกดีว่ามีอะไรชุ่มฉ่าหัวใจพระอาจารย์ทีนี้เออลูกก็จะเรียนให้พระอาจารย์เมตตาสอนลูกต่อนะคะว่าลูกต้องทําอะไรไปยังไงอีกอะคะ่ะพระอาจารย์ก็ฝึกสติสไปบ้างๆนั่งสมาธิให้มากๆค่ะอื แล้วก็ถ้าเวลาอยู่เอาเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าอยากจะพิจารณาทางปัญญาบ้างก็ทําไปจะแล้วความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่ะพระอาจารย์รับยืดนะไม่ให้ไปยึดไปติดเก่อะรแม้กระทั่งความฝันก็ไม่ให้ไปยึดไปติดมันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เป็นมันก็เป็นอนิจจหมือนกันนะตา อย่าไปหลงติดมันนะเดี๋วจะตายมันจะมันจะถูกหลอกนะค่ะผออาจารย์ปล่อยวางดีกว่าปล่อยให้มันมาแล้วก็ไปถ้าเรามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ถ้าใช้ไม่รู้จะไปใช้ยังไงก็อย่าไปแบกมันอย่าไปอยไปเอามาเก็บไว้ในใจใชามันผ่านไปแล้วมันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วค่ะผออาจารย์เข้าใจนะ ค่ะลูกลูกเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าคือถ้าเราทําอะไรเข้าขึ้นเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้เราไม่ควรจะถอยไม่ควรจะถอยกลับไปเช่นเรื่องอาหารถ้าเราเราต้องงดได้แปะถ้าสิบวันไหนสิ้นแปะก็คือต้องงดให้ได้ไม่ควรที่จะแบบอารมุ่มอรวยแม้ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเรา แ, แล้วว่าถ้ามันแค่ ม, มีครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีครั้งที่สอง ค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนั้นวันนั้นที่ไปถึงสิงรอบก่อนแล้วเพื่อนก็ไปด้วยแล้วเขาก็ซื้อขนมปังไปฝากไว้เพราะว่าจะไว้ให้ให้สัตว์คือโยมก็ชอบลูกก็ชอบกินขนมปังแล้วก็ได้กินหอมทั้งคืนเลยค่ะพระอาจารย์มันหอมมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็คือก็หัวล้อค่ะพระอาจารย์นึกหัวล้อแบบไม่ได้แอมสลอกอะไรเงี้ยมิฉันไม่ดิกินจะหลอกอะไรเงี้ยออไไแต่พอวันที่เราออกกล่าวว่าเดี๋ยวออกมาก่อน จะราดนมอะไรเงี้ยจะกินแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะพอพอออกมาจริงๆอะ่ะออกจากศีลมาจริงๆแล้วอะ่ะก็มมันไม่ได้หอมอะค่ะผอาจารย์ความหอมมันหายไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากกินแล้วเราก็ไม่ได้กินด้วยอะค่ะผ้าจานอืมที่เลยอมันเหลือไหมค่ะก็เลยแบบเออขำก็รู้สึกก็รู้สึกดีๆอยู่ค่ะช่วงนี้ว่าก็พยายามจะ อะไรทำได้ก็จะค่อยๆเก็บแต้มไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้ว่าจะต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็แบบไม่ควรไม่ควรเลยที่จะอลุ่มล่วนค่ะโอเคตามไปนะความเพียรอยู่ที่ไนความสาเร็จอยู่ทีนั้นนะค่ะน้อมรับค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะพระอาจารย์อยากขอพาาบพระคุณค่ะนะโมนะโมเทพธมรยู่บคุณยายเหรอแต่พระอาจารย์วันนี้พาคุณยายครับกับบ้านนะโม ฉันโดดรายงานครับอาจารย์ฉันโดดนะครับพอดีลืมเปลี่ยนชื่อครับอาจารย์คุณยายเร่งให้เข้ามาค่ะคุณยายอยากเจอพอาจารย์ครับผมเร่งให้เข้ามาก็เลยไม่ทันได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเลยครับผมชื่อไม่สําคัญอ่ะขอให้ตัวเป็นฉันโดดจริงๆครับอาจารย์ันโดดอยู่แล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ครับหลังจากที่อ่าอาจารย์ ได้คุณยายได้คุยกับพระจันนะครับคุณยายก็ดูสดใสร่าเริงขึ้นแล้วก็เกิดเลไรขึ้นไม่รู้อยู่ๆก็เข้าเป็นอนิจจามขพระอาจารยรา์มันไม่เที่ยงอะไรเงี้ยมันคุณยายก็เข้าไอซูอีกรอบอย่างเงี้ยครับพระจย์แล้วคราวนี้พอเข้าอีกรอบคราวนี้พอฟื้นมาคุณยายพูดอยู่สองคำครับพระจย์สุชาติสุปฏิปันโนพูดอยู่สองคำชีชีแม่ถามคนนี้เชื่ออะไร คุณยายก็บอกว่าสุปฏิปันโนสุชาติพูดอย่างนี้ครับถามว่าคุณหมอชื่ออะไรสุปฏิปันโนสุชาติพูดได้แค่นี้เลยครับ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ครับผมพยาบาลคุณหมอของผมหมดครับ <c oughs> ครับอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ดีใจมากเลยครับที่อ่าอาจารย์ไวพรุนนั้นคุณยายก็ฟื้มปิติมากเลยครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับผม หาเพื่อนหายเล็วเร็วนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าในี้ครับพถโถขบถไปคระถ้าผ่อนไปนะถ้ามันไม่ยามลุกก็ไม่ต้องไปบังคับมันมันจะนอนก็ให้มันนอนไปเดี๋ยวถึงเวลามันลุกขึ้นมาเองถึงเวลามันอยากจะลุกมันก็ลุกขึ้นมาเองใช่โอเคไม่ไม่มีอะ้รใช่ไหม ไม่มีแล้วครับผมอาจารย์แต่ก็ยังปฏิบัติต่อเ น, นื่องก็มาอาจารย์ยังลืมกรรมฐานนะครับไม่ลืมไม่ลืมก็ทุกวันนี้ยังท่องอาการ32อยู่เลยครับอาจารเาเท่าต้องมองด้วยต้องต้องเห็นด้วยนะไม่ใช่เท่าแต่เชื่อมันีเชือ่อครับก็เวลานั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็บางทีเดินเดินจงกรมนะครับช่วงครึ่งหนึ่งครึ่งแรกก็จะ เป็นการท่องอาการสาสองครับแล้วก็นึกถึงแต่อวัยวะที่ไปถึงในแต่ละสปาในแต่ละอันอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล mm ้วเสร็จแล้วก็พอครบครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็จะแบ่งมามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยูที่เท้าอเงี้ยครับอาจารย์ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วก็จะไปนั่งสมาธิต่อนะครับแล้วตอนนั่งสมาธิก็ต้องอิติปิโสหรือว่าอาการสาิสองเสร็จแล้วก็ไปอานาปนาสติต่อครับถ้าวันไหนที่สติมันไม่พอ ที่จะดูลมหายใจอย่างเดียวก็จะใช้เป็นพุทธังสติมาช่วยครับผมอ่าถูกต้องดีมากทาไปเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์คุณแม่อยู่ข้างๆเละคุณแม่อยู่ข้างๆทุกคนอยู่หมดเลยครับค่ะทุกค่ะกำลังใจคุณยานะคุณยานะเร็วๆค่ะสาุครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ท่สูงครับผมไที่อาจารย์สายิพครั้นี้น่าจะพูดได้เลยใช่ไหม อันนี้ใช้มือถือเลยเหรอกล่าวนามาสการพระอาจารย์ต่อค่ะอ่าชัดเจนเียงไปอยู่ใช่ไหมคะ่เปลี่ยนเป็นใช้มือถือค่ะเมื่อกี้ใช้นอตบุ๊กแต่มันน่าจะมีปัญหาค่ะอ่าต้องไปตั้งตัวตัวไมโครโฟนใหม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววัดหลังเซตเซตใหม่ค่ะพระอาจารย์ตัดผมแล้วค่ะพระอาจารย์ลองดูอาจารย์มันแสดงผลว่าก้าวหน้านี่ผมยิกันเท่าไหร่แสดงว่าย่ก้าวหน้าท่าน แต่ไปร้านแรกเขาไม่ยอมตัดให้นะคะพระอาจารย์ช่านทําใจไม่ได้ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูทําใจไม่ได้หนูก็เอาก็เลยไปอีกร้านเลยค่ะพระอาจารย์เขาไม่ยอมตัดให้จริงไหเขาไม่ยอมตัดให้อจริงเขาไม่ยอมหนูหนูแต่แรกหนูผมยาหนูก็เลยหั่นของหนูไปก่อนแล้วหนูก็ไปมันก็เป็นแบบตรงแบบเหมือนเขาบอกว่าทรงเกาหลีแล้วเขาบอกว่าผมมันเป็นแบบนี้มันฟูถ้าตัดมันจะฟูขึ้น อย่าเลยไว้ผมยาวดีกว่าแล้วก็เราอยากจะตัดสั้นเขาก็ไม่ยอมค่ะพระอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านของผู้ชายสิไปร้านผู้ชายเอาทรงเราไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อช็อกค่ะพระอาจารย์ค่อยๆกันแต่ว่าหนูหนูคิดถึงอีกร้านหนึ่งอยู่ค่ะที่เขาซอยสั้นแต่ว่าวันนี้เอาเอาร้านใกล้ๆเพราะว่าตัดแล้วก็มาทํางานต่อค่ะพระอาจารย์นี่แหละคือเครื่อของการปฏิบัติของเรา อ น, นิ่งก้าวหน้าผมก็ยิ่สั้นออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โกนเลยอนาคตนาอาจจะได้โนกนค่ะพระอาจารย์ร้านที่สองบอกก็ตัดขึ้นอีกหนึ่งเซนสองเซนเขก็บอกพอแล้ว<笑><笑>จ่า ง, งไม่ยอมตัดค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็อคุยกับคุณพ่อค่ะพระอาจารย์ว่าตอนแรกพี่สาวก็จะไปซื้อเหมือน เลือนไม้มาไว้ที่สวนหลังบ้านแล้วก็อ้าวถ้าพี่สา อ, อ่ามีมีเลือนไม้ได้งั้นหนูขอไปซื้ออ่บ้านไม้ไผ่อ่ะค่ะพระอาจารย์ออเออคุณพราะว่าแต่บอกว่าบอกคุณพระว่าจะเอามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มันมีโซนหนึ่งที่มันมีเหมือนแบบอ่าทําประตูปิดนิดหน่อยไม่ให้น้องหมาเข้าไปกวนต้นผักอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกผักแล้วก็เลยจะเอา ไปสั่งทําแล้วค่ะภระอาจารย์เป็พอโอเคค่ะอยู่ในสวนน่ะอยู่ในสวนหลังบ้านเงียบเงียบเลยค่ะภระอาจารย์เพราะว่าหลังบ้านมันจะมีแค่ประตูออกจากบ้านแล้วก็มีประตูปิดแล้วก็ส่วนเป็นส่วนของต้นไม้ค่ะภระอาจารย์มีที่ประมาณค่ะต่องานเงียบเงียบค่ะแล้วก็อ่าไม่ไม่ได้ติดบ้านคนเท่าไหร่ค่ะภระอาจารย์เงียบดีทำทำทางโยมข้างข้าง ค่พักมันก็จะได้เดินตรงได้ค่ะหนูหนูวางแผนว่าจะทําทางเดินตรงกลมได้ค่ะอาจารย์แล้วก็อ่วันไหนที่ไปนั่งปฏิบัติได้ก็จะไปอยู่ตรงนั้นบางคืนอาจจะขอคุณพ่อว่าจะจะไปอยู่ค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยเนี ย, ยนเนียนไปค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ส>แล้วก็ตอนนี้นั่งสมาธิก็มันเหมือนนิ่งๆแล้วก็วูบลงนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์จะได้อยู่ประมาณ ประมาณเหมือนเหมือ น, อนแค่แค่ลงมานิดนิดหน่อยอยู่แล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดนะคะพระอาจารย์สติยังไม่มีกํา <c oughs> ลังพอยังยังไม่ค่อยดูแต่ก็พยายามฝึกสติในระหว่างวั น, นะค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันที่ตัดผมเห็นผมเตงตัดแต่ก็เออถ้าเป็นเราเราไม่เห็นจะเจ็บเลยเนาะโดนตัดแล้วก็สักหน่อยโลชั่นไม่ได้ใช้ ก็เห็นผิวที่เริ่มเหี่ยวค่ะพระอาจารย์โอ้แล้วก็แบบเอ้ยความเสื่อมมันก็คือผิวมันก็จริงๆมันก็เดี๋ยวมันก็หลุดมันก็อะไรไปร่างกายเรามันเหมือนค่อยค่อยหายไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์มีความเสื่อมค่อยค่อยเส่อไม่ค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปวันนั้นเรื่อยๆก็เห็นความเสื่อมของของร่างกายของของตัวเองไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฝึกใจให้ให้ให้เห็นเป็นธรรมดาค่ะอืม ยพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พ่องอิติปิโสฮะอืมหรือทำบทที่สอนเด็กเมื่อกี้ก็ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามนามการพลาดพลาดจากการเป็นธรรมดาออืรวมพลไปไม่ได้มันจได้มีหลายคอยเตือนใจสอนใจเราเยอะอืมค่ะได้ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูไป ไปท่องพราะมันมันยาวขึ้นด้วยนะคะพระอาจารย์น่าจะมีะสติมากมันจะมีบทต่อเรื่องามีกรรมเป็ขอ ง, ของตอนอะไรทำนองนี้จัดทำกรรมมัน ไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> ด้ไไว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นรับเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเนี่นนนยเราใหายยอมรับกฎสองอันเนี่ยอันนี้เป็นกฎอันนี้จางอันหนึ่งก็กฎกฎแห่งกรรมอันหนึ่งกฎอันนี้จางก็คือ เกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎอนิจจากฎตายรักอนิจจาลุกเราอนิจจากฎกฎแห่งกรรมก็คือนกฎแห่งกรรมนี่ก็เกี่ยวกับใจเรากฎของตายแล้วก็เกี่ยวกับร่างกายเราก็คือตายรักก็คือระเสียมเป็นธรรมดาเอ่อร่างกายก็คือใจเรา กรรมก็คือใจเรารับกรรมที่เราทรําทุกสิ่งอย่าง ใ, <จ S 1> ใช่ไหมครับใจเราเป็นผู้ทําแล้วก็ต้องรับผลของเขาที่ใจทำาปเป็นใจปดาเป็นเปรตไปนิพพานไปสวรรค์ไปนรกก็อยู่ที่ใจนี้เป็นผู้กระทันผ่านทางด่างกายทำผ่านกางร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจเนะั้นร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลอือค่ะ แต่ก็เป็นเหมือนเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปเฉยๆนะคะพระอาจารย์ใช่เหมือนเป็นเครื่องเหมือนเป็นเป็นเหมือนรถพาเราไปสถานที่เราต้องการไปสถานการณ์ตอนปนี้ผ่านเราก็ต้องใช้ร่างกายนี้ไปไปอยู่กระต๊อบไปอยู่กระต๊อบแล้วก็ไปเดินจงโกงเริ่มมีบ้านใหม่เป็นของตัวเองเดี๋ยวเ้าคงถามว่าทํางานเยอะๆไปซื้อกระต๊อบอยู่ไม่รอดละคอนโดร้อยล้านพันล้าน เอากระตบกระตอบไม้ไม้ไผ่ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปค่ะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่มีคําถามแต่ว่าจะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์สิงหแปดก็ยังสิงหแปดทุกวันค่ะเป็นีกับการตัดผมด้วยนะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวคงจะสั้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสาทุสาทุกค่ะคุณจรินทร์ท่านนี่เห็นไอแพนอยู่ กับจะจาไม่ได้ค่ะกับส ม, มัชกานพราจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยมลองใช้เครื่องนี้ดัวค่ะพราจารย์เครองดีเสียงก็คมดีใช่ค่ะยมก็รู้ส <agrade cimento> ึกว่าเห็นหน้าตัวเองใหญ่ดีค่ะ่ดีเต็มจอเลยนะเต็มจอเลยค่ะพราจารย์ก็ย<ท>ม<าน> <historian> ก็ไม่มีคำถามมาค่ะแต่ก็ปฏิบัติมากขึ้นแล้วพอไม่แน่ใจว่าเวลาคนเราปฏิบัติมากขึ้นแล้วเหมือนจิตมันจะ มันจะมันจะตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นไปเองโดยเรื่อยๆหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่ามัมีส่วนพอเราเริ่มปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะติดเป็นนิสัยไปยิ่งทำมากมก็ย่งอยากจะทำมากขึ้นไปเรื่อยใช่ค่ะพระอาจารย์เราคือดึกแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนก็รู้สึกว่าเหมือนมันสู้อะค่ะพระอาจารย์แล้วมันไม่อยากจะเวน้นพ่มันเป็นการเว้นนี่เป็นการเสียเป็นการขาดทุนค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาโยมได้รับ มอบหมายให้ทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ชั่วโมงการทํางานก็มากขึ้นแล้วก็ใจก็รู้สึกว่าอูแล้วเราจะได้ปฏิบัติไหมแต่มันก็ไม่ยอมหยุดอะคะ่ะยองก็เดินจงกรมชั่วโมงครึ่งนั่งสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็นึกว่าอาจจะเข้านอนลนะเหมือนมันปฏิบัติต่ตอไปเองอะคะ่ะ อ, อาจารย์เหมือนจิตมันคุดโทไม่หยุดะคะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเวลาที่มันกําลังจะวูบ หลอดลงไปเนี่ยมันเห็นกระแสที่พุ่งขึ้นมาแต่ก่อนโยมอาจจะเห็นแค่เป็นกระแสความคิดที่พุ่งขึ้นมาแล้วพุทโธก็ดับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ที่ผ่านมายอมทํางานเยอะมากมันก็เลยมีความฟุ้งอยู่ในจิตเป็นทุนเดิมมันก็ไม่ค่อยสงบหรอกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่มันเห็นเป็นคลื่นเป็นคลื่นกระแสความคิดคราวนี้มันไม่ใช่กระแสเดียวมันเป็นคลื่นเลยค่ะแล้วในกระแสความคิดนั้นมันก็มีสีด้วย คือเหมือนกับมีความโกรธมีความหงุดหงิดอยู่ในกระแสนั้นนะคะแต่ที่อัศจรรย์ใจก็คือพุโทโธมันไม่ยอมหยุดมันภาวนาของมันเองไม่ยอมต่อเนื่องแล้วก็หนักแน่นแล้วกระแสอะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมามันดับหมดเลยะคะ่ะดับทั้งหมดเป็นเวลานา น, านมากโยมโยมก็ได้แต่เฝ้ามองสิ่งที่คือเห็นเห็นกระแสผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นไม่ยอกไม่หยุดเลย แต่กำลังพุทธพุทโธก็ไม่หยุดเช่นกันนะคะะอาจารย์<ม>แล้วมันก็สุดท้ายสุดท้ายพอเห็นมันดับหมดยมยมก็เลยหลับได้นะพะอาจารย์แต่ก็เหนื่อยอะค่ะเหมือนกับไม่ค่อยได้นอนทั้งอาทิตย์เลยค่ะอาจารย์แต่มันก็ไม่ยอมหยุดปฏิบัติอะค่ะเดี๋ยวถึงเวลามันจะหลับมันหลับเองถ้ามันไม่ไหวจริงจริงเด๋วรงการมันไม่จะหลับเองค่ะแล้วเหมือนกับว่าเวลาที่พอกลางคืนสมมติยมทํางานเสร็จห้าทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มอย่างเนี้ค่ะ ใจก็อยากจะมานั่งต่อพอนั่งเสร็จมันก็ไม่ยอมหลับอะค่ะพระอาจารย์มันก็มันก็ไปเรื่อยตีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจนเองต้องบอกว่าไม่ได้ต้องหยุดแล้วว่าต้องตื่นแต่เช้าเาต้องไปทาํางานเนี้่ค่ะไป น, นอนปฏิบัติไปแทนะนอนไปแล้วก็ปฏิบัติแต่ถ<า>้านอนไปเดี๋ยวมันไมาหลับเลค่ะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้ทอธิผ่านมาจิตมันไม่ค่อยไม่ค่อยสงบเท่าไหร่จิตมันมีความฟุง้งกระแสฟุง้งอยู่ตลอดแต่มันก็ยังมีแบบ เห็นเห็นความตายเราก็ยังฝึกในระหว่างที่เรามีเวลาเราก็ยังฝึกมองความตายเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เห็นเห็นมีเห็นภาพคนตายเห็นอะไรเงี้ยขุดขึ้นมาตอนแรกที่เห็นจิตก็บอกว่าตกใจพอมันสติก็มาตัดบอกว่ามองให้มองไม่ต้องกลัวมองให้มองพอมองอีกทีนึงก็รู้สึกว่าเ อ, อ้มันไม่น่ากลัวนี่คือความจริง<ม>แล้วพอเสร็จแล้วมันก็ตัด ตัดไปอย่างเนี้ยค่ะเพราะคือทุกครั้งที่มีสติมามันก็มันก็จะบอกให้จิตไม่กลัวไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ไม่ต้องกลัวให้ดูตามความเป็นจริงลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็พอดูพอดูสักพักนึงมันก็ไม่กลัวเพราะมันไม่กลัวเสร็จแล้วพอเหมือนจิตมันยอมรับว่ามันไะม่กลัวแล้วมันก็มันก็หายไปเนยค่ะเป็นเป็นลักษณะเนี้ค่ะพระอาจารย์มันนึกภาพได้อยู่เรื่อยเรื่อยมันจะได้กระตุ้นความเพียรเราด้วย ทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงต่อไปด้วยค่ะค่ะยมก็ปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องค่ะเหมือนเหมือนมันไม่ท้อค่ะมันสู้ยิ่งยิ่งร่างกายเหนื่อยจิตมันก็จะยังต้องสู้เพื่อให้เอาความสงบกลับมาให้ได้ลักษณะนั้นนะคะนี่สู้ไม่ถอยตามมาบัวแล้วบมดต้องสู้ม่ถอยนักปฏิบัติไม่ใช่ต้องเป็นนักรบไม่ใช่นักลบใช่ค่ะอาจารย์แต่ยมยอมรับว่าเหนื่อยมากกับที่ที่ผ่านมา ม, ม, มันงานมันเยอะจริงๆเดี๋ยวผลพอได้ผลแล้วมันหายเหนื่อยเองใช่ค่ะครอาจารย์แล้วพอ<ม>พอเราปฏิบัติแล้วเรามารู้ตัวว่าโอ้โหนี่เราจิตเราไม่ยอมเลยนะมันไม่ยอมนอนจริงๆมันมมพอได้เวลานั่งปุ๊บมันมันจะต้องเอาให้ได้สองสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ม, ม, มันจะไม่ยอมอยุดแสดงว่าเราไม่ไฟในในตัวเราละไฟในใจมีฉันทะวิริยะ แล้วเหมือนกับค่ะมันมีศรัทธามันมีศรัทธาที่ค่อนข้างจะแรงกล้าเห็นเห็นเลยอะค่ะอาจารย์ว่าพอเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วนะเราจะนอนแต่มันบอกว่าไม่ได้ต้องต่อต่อแล้วมันก็ต่อจะรวมไม่รวมก็ไม่สนจะต้องนั่งให้ได้นะคะค่ะพระอาจารย์ดีรักษาระดับของการปฏิบัติของเราไว้ให้มันอย่าให้มันลดลงให้มันอยู่ในระดับเดิมเพิ่มขึ้นไปค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะก็ ก็ก็ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์โอเคดีค่ะกลับขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะวันนี้สีน่าชาคุณกลับไปทำงานเลยกลับนมัสการพระอาจารย์ด้วยค่ะลูกจะอาบน้ำทีเดียวห้าทุ่มแล้วก็นอนเลยค่ะไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มาแล้ไม่มีกิเลสด้วยมีอ กเหร่ออมีบ้างไม่มีบ้างยังมีอยู่นะจังหวะนียังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็แสดงว่ามีกีเลรเลยโอ้ก่เหเยอะกว่าธรรมะเดีค่ะก็พยายามฟังธรรมแล้วก็แล้วก็เนี่ยค่ะเข้าสูมค่ะเข้ามารับฟังนะจ๊ะค่ะาดีพยายามฟังไว้เรื่อยๆทางฟังที่มันทำให้เราได้ปัญญา ได้ยินปัญหาของคนอื่นซึ่งต่อไปก็าจจะเป็นปัญหาของเราต่อไปเราจะได้ดู ว, วิธีแก้ไขเวลามันเกิดขึ้นกับเราอ่ะวันนี้ฟังพี่เขาคุยเรื่องตัดผมเดี๋ยวหนูจะไปลองตัดสั้นกว่านี้อีกค่ะแข่งกันนะแข่งกันดูใครจะสั้นกว่ากันเลทุวันนี้เห็นผมขาวแล้วค่ะอาจารย์ก็ เ, เป็นเมื่อก่อนหนูก็ทําสีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็มันไม่มี ฉลาดขึ้นแล้วเมื่อก่อนโอกนี่ฉลาดขึ้นนะเสียตังค์ด้วยอาจารย์เ้ยกลับมาใหม่อโอ๊อยู่อย่างนี้ดีกว่าเพราะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปสักวันเลยแล้วเราสวยที่ใจดีกว่าสวยใจนี่ไม่มีวันแก่จ้ะคกล่าวนามสการพระอาจารย์ค่ะคุณวันิดาเจอญวานิดาเื่อกี้คุณอะไรนะคุณคุณวันธนาเนี่ย ก็คุณดิดาคนแนะนำให้เข้าออสูงวันธนาเวทนาวันธนาที่อยู่แคลิฟอร์เนียใช่ค่ะพระอาจารย์กาบ ม, มัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีอยู่ที่อยู่ที่ทซียอทิลนะคะแต่ว่าคุณพันธนาเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วเขาอยู่ในกลุ่มของเคลียร์เมลชันมอนสเตอรี่แล้วเขาก็ ถามเรื่องสภาวะที่เขาเกิดขึ้นก็โหลกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าพูดกับคนอื่นเพราะว่าฝรั่งคนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติแล้วเขาจะหาว่าเ็าเป็นบ้า <laughs> ก็เลยบอกแนะนำให้เข้ามาในซูมของพระอาจารย์ค่ะ อ, า<พ>อ้าวพอหลังจากค่ะพอหลังจากที่ได้ไปในมั ส, สการพระอาจารย์กับกลุ่มเ r m ม u n t ันม m นสเต t รี่ก็เลยจะเข้ามาซูมแล้วก็มาฟัง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยก็อยู่ที่นี่มีคนไทยปฏิบัติแต่ว่ า, ามีพระอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าเป็นบุญมากเลยมีเมตามากเลยค่ะพระอาจารย์ที่ได้เข้ามาซูมอย่างนี้ได้ให้ให้คุณอยู่ไกลได้เข้ามาถามได้นะคะใช่แล้วก็ เ, <อ>เ<ว>กเักมียุคอินเทอร์เน็ตเป็นบุญของพวกเรางนั้นไม่มีโอกาสได้อย่างนี้ได้คุยกันอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อมได้เป็นกําลังใจให้ให้ปฏิบัติอยู่ทางไกลไกลวัดนะคะเออได้ mm hmm. ปฏิบัติแล้วก็อยู่ในสภาพที่อเราคือไปใสบ่บาตรก็ไม่มีที่ใสบ่บาตรอยากให้ทานอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยพอได้เห็นพระอาจารย์ออกมาซูมอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นบุญแล้วก็กราบขอพระคุณพระอาจารย์ที่มีเมตตามีโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมาให้คนอยู่ไกลได้ ได้เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้โยมเองอยู่ที่นี่มาดูแลแม่ของสามีอายุเก้าสิบสองปีแล้วท่านก็ไม่เคยศึกษาไม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วพอเกิดสภาวะเจ็บป่วยอะไรเนี่ยท่านก็จะเป็นคือเขามีสองอย่างคืออยากจะตาย <c oughs> ถ้าเขาเจ็บปวน อยากจะตายอช่แล้วก็อยากจะหาไม่อยากเจ็บปวดคือรู้สึกว่าพยายามจะค่อยๆพูดกับเขาแต่ว่ามันก็ยากนะคะเพราะว่าเก้าสิบสองปีแล้วท่านก็มีความยึดมั่นถือมั่นแบบมีไม่มีไม่มีความคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาไม่แก่ดัดยากมันแก่ดัดยากเราก็เลยใช้ส่วนนี้มาน้อมเข้ามาในตัวเองว่าพอเราเป็นนี้เราก็จะไม่เป็นอย่างนี้ เรายอมไง้ันแล้วเราจะไม่ทรมานแต่ว่าก็ก็มีกำลังใจปฏิบัติอย่างนี้ได้ฝึกนั่งสมาธิเช้าเย็นเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงก็ดีที่ว่าบ้านก็อยู่ในปา่าหน้าร้อนก็ออกไปเดินได้จงกรมได้และนั่งสมาธิได้ เขาก็ก็ขออนุญาตเขาบอกว่าจะออกไปอยู่ใต้ต้นไม้น้ำมีอะไรเรียกน้ำอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเราแอบเข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอธิบายยากแต่ก็ดีรู้สึกว่าหลังจากที่เราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเขาก็เย็นลงแล้วก็รู้สึกว่าทางบ้านก็คือคือเหมือนเหมือนท่าอาจารย์ไพศาลที่สารู้ว่าอยู่ให้เป็นสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเน่ยนะคะพระอาจารย์ ก็เขาว่านำมาเรีนไซคอร์จีก็แล้วกันจิตศาสตร์ไซน์คอร์จีแล้วก็อยากกราบแล้วก็อยากกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่มีเมตตาให้พวกเรากลุ่มเ e ลีย o u n t น i n m o ม a นส e r y พระอาจารย์คูวิลูพระอาจารย์นิสสพูได้ได้ไปนมัสการและได้ให้ค้อนแนะนำทุกคนรู้สึกว่ามีความประทับใจ ให้การแนะนําของพระอาจารย์เป็นอย่างมากเลยกราบเขาบพราะคุณเป็นอย่างสูยงย้อชวงดีมีพระทีข่ขยันที่จะพาญาติโยมไปกราบผู้อารย์เป็นปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าท่านอตอนนี้ท่านก็ถือศีลอดอยู่สองอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์นิสสาโพยัยงยังไม่ออกมาเลยท่านไม่ถท่านไม่ฉันนะคะอ๋อเลยค่ะท่านท่านถือศีลอดทุกๆ ท, ทุกหน้าหนาวท่านจะถือศีลอดสองอาทิตย์นะคะ อปฏิบัติแล้วก็วันวันเสาร์วันพรุ่งนี้เออมันใช่วันเสาร์ที่ถึงนี้คือโยมก็จะทําอาหารไปถวายเพราะว่าเป็นเวนนะคะเพราะว่าไม่มีคนใส่บาตรเยอะก็ต้องลงชื่อเป็นเวนว่าใครจะไปใส่บาตรท่านท่านมาแรกๆท่านก็ไม่มีคนใส่บาตรเพราะเป็นเป็นบุญของโยมเหมือนกันที่ได้ได้เจอแต่ต้องขับรถไปชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าไปใส่งงานอยู่คนละเมืองเลยนะถ่าอยู่คนละเมืองเลยค่ะอืม โ <Okay. S 2> อเคตัวคุณนัชนานัชนาอยู่ที่ไหนค่ะค่ะเปิดแล้วครับอาจารย์เออยู่ที่ไหนไม่รู้กปรตอะไรมันเป็นตัวภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะอ่านิอยู่ที่ไหนหนูเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์อยู่ที่ไหนอยู่ที่สุราดอ่ะอ่าอยู่อำเภอพระแสงค่ะ ครั้งแรกนี่วันนี้เข้ามาครั้งแรกใช่ไหมหนูมาครั้งที่สองค่ะพระ อ, อาจารย์ครั้งนั้นหนูมาหนูวันนั้นหนูหนูไปจวจตอนนั้นหนูมาไปช่วงนั้นหนูป่วยใหม่ๆครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ก็ยังป่วยอยู่ค่ะมีอาการปวดที่เต้านมแล้วค่ะก็ไปไปศึกษาอาจารย์าวเมื่อประมาณ ก็เริมป่วยมาแล้วประมาณสิบเดือนแล้วแหะค่ะที่ว่าเริ่มปวดปวดแล้วก็ไปสาวอันต้าสาวมาสองครั้งแล้วค่ะแล้วก็หมอว่าเป็นอถุงน้ําที่เต้ า, มานมอะค่ะแล้วก็สาวชัางครั้งที่สองอะนะมันมีหมอว่าสงสัยว่ามีมีก้อนเนื้ออยู่ข้างขวาตอนนี้หนูหนูก็พดพดทานเนื้อค่ะผ้าจารย์หนูหนูทานเตะ เอปลาปลาน้ําจืดแหละคะ่ะผูาจา์แล้วก็อ่าแล้วก็ทานผักช่วงเย็นก็หนูเป็นลวกผักแล้วก็กินกับน้ำจิ้มอะคะ่ะเท่านั้นช่วงเย็นมื้อเย็นอะคะ่ะช่วงเช้าก็มีกินเอมือ้อกินปลาเนี่ยแหละคะ่ะเอ็ดปลาน้ําจือดอย่างเดียวอะคะ่ะที่กินได้ถ้าเป็นเครื่องหมักดองอะไรประมาณหนูจะกินไม่ได้เลยเราะว่ามันจะมีอาการปวดขึ้นมานะคะ่ะ เป็นเนื้อหมูเนื้อเนื้อไก่ปลาลื่นปลาดุกหมูกินไม่ได้หมดลวค่ะตอนนี้ก็อาศัยว่ากับเนี่ยควังฟังพระอาจารย์ที่ว่าธรรมะหน้าขุดของดรวีหนูก็ดูอยู่ประจำอะค่ะแล้วก็หนูก็ตอนนี้ก็ฝึกฝึกสมาธิก็กด็ดูจิตจิตมาหนูฝึกดูจิตมาประมาณเป็นเกือบ อีที่สิบแล้วแหละแต่ว่าหนูไม่ได้ทําจริงจังอะค่ะอาจารย์แล้วก็ส่งช่วงนี้ก็ได้ฝุกกับพระอาจารย์สององค์ก็มีพระอาจารย์แล้วก็ฟังพระมหาวิเชียนด้วยค่ะ อ, อ๋อมีหลวงพ่อประโมุ่ด้วยค่ะสามองค์ค่ะที่หนูฟังแล้วก็หนูฟังหลวงพ่อประโมุ่ส่อนองคเล็กค่ะเมื่อประมาณเป็ดปีที่แล้วค่ะแล้วก็หนูฟังมาเรื่อยเรื่อยแต่หนูไม่ได้ปฏิบัติจริงจังอะค่ะอาจารย์ หนูมาได้ปฏิบัติจริงจังช่วงที่ว่าหนูป่วยนี่แหละหนูว่าเออเนี่ยเรามันใกล้ความตายมาเรื่อยเรื่อยแล้วหนูก็เลยวันนั้นอธิษฐานกับพระจะอ่าอธินานจิตว้าให้ครูบาอาจารย์ที่ให้มามาอ่านสอนหนูแล้วก็วันนั้นก็ได้เจอกับได้เจอพระอาจารย์ทางซูมวันนั้นก็ได้เจอแล้วก็ได้คุยกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็บอกว่าวันนั้นหนูไป เจอหมอครั้งที่สองพี่หมอบอกว่าหนูเป็นก้อนเนื้อวันนั้นอ่อนว่าวันนั้นหนูหนูคุยกับผ่าอาจารย์มหาวิเชียนค่ะผ่าอาจารย์ตอนนั้นก็เจอผ่าอาจารย์แล้วแหละช่วงนั้นหนูฟังอยู่สององสามองนะคะแล้วก็หมอก็บอกว่าหนูเป็นก้อนเนื้อแต่หนูมันมีจิตของหนูเพราหนูบอกว่าเป็นก้อนเนื้อส ง, สงสัยว่าหนูเป็นก้อนเนื้อด้วยนะเนี่ย หนูแต่หนูจิตของหนูมันมันมีกระยิมกระยิมอยู่ในใจหนูก็แปลกใจว่าเอ๊ะทําไมเรามีจิตกรกระยิมกระยิมอยู่ในใจได้ยินคําว่าก้อนเนี่ยมันน่าจะตกใจอะค่ะมันเป็นอยู่ได้ซักเ ป, เป็นเป็นครึ่งวัเป็นรูปเป็นวันแหละที่ว่าหนูมีรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มันก็หายไปอะค่ะแล้วพอเรอิ่มเริ่มทุกวันนั้นเริ่มทุกข์อะค่ะอาจารย์แล้วก็หนูก็ฟังฟังป้าอาจารย์พามดมันแล้วหนูก็ว่าอู้เลิ่ม ทำสมาธิดีกว่าหนูว่าหนูก็เลยมาดูลมหายใจแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูดูลมหายใจแล้วก็พร้อมกับนึกครูบาอาจารย์นึกเพราะฉะนั้นนึกถึงหลวงปู่ทวดนะคะพระอาจารย์หนูนูนึกหน้าของหลวงปู่ทวดขึ้นมาในใจแล้วก็หนูหนูนอนนอนตอนนั้นหนูนอนแล้วทําอะไรไม่ไหวหนูทาอะไรไม่ได้หนูรู้ปวดหนูนอนอย่างเดียวฉงนั้นแล้วก็หนูนึกหน้าพระอาจารย์แล้วหนูก็มอ มาดูลมหายใจหนูดูไปดูไปดูไปมันก็มันก็คลายอะค่ะัคิอว่าที่หนูวิตกวันนั้นหนูวิตกกังวลวันนั้นพวาะ น, นั้นน่ะหลังจากไปตรวจได้สักสามวันมีคนข้างบ้านเขาบอกว่ามีคนเป็นก้อนเนื้อเอ็เอ่อมันเลงเป็นติดถุงน้ํานี่แหละกลายเป็นมาเลงได้หนูก็ในความคําเนี้ยหนูกลัวมากครับอาจารย์ หนูก็เลยตัววันนั้นตัวมากหนูว่าตัวแล้วอเลงทําอะไรทํายังไงล่ะทีนี้ในใจมันคิดขึ้นมาอุ้ยนี่เราเราเราัวขนาดนี้มันไม่ได้ น, นั่นเองหนูหนูก็มานั่ง น, นึกว่าโอ้หนูต้องทํำสมาธิแล้วหนูก็ใช้วิธีเนี่ยที่ว่าเล่าพระอาจารย์ว่าหนูหนูก็นอนนึกหน้าพระหลบงปู่วดแล้วก็หนูนอนดูลมหายใจแล้วก็มันค่อยๆคลายๆจนว่าปกติอะค่ะเป็นว่าหนูอยู่ได้จนทุกวันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ หนูก็เริ่มเริ่มสมาธิมากขึ้นนะครับอาจารย์แล้วก็ z o มอ่าศึกษาพระอาจารย์มหาวิเชียรด้วยพระอาจารย์ก็บอกว่าให้หนูทำ ส, สมาธิเยอะคือหนูไม่จิดแบบแบบแบบแบบหนูเป็นคนใต้หนูพูดพูดภาษาไม่เก่งแล้นตอนนี้หนูตื่นเต้นด้วยครับพระอาจารย์คุยกับพระ อ, อาจารย์นะอ๋อไม่เป็นไรหรอก อ, อ, อ่ามีอะไรอยากะถามไหม ค่ะวันนี้ก็แค่มาเล่าแค่เนี้ค่ะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้กับหบนูแล้วค่ะพระอาจารย์คือพยายามรักษาใจให้สงบและร่างกันเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายนะร่างกายมันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันนะ่ะพระอาจารย์รักษาไดก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องไไปล่อยมันไปตามเรื่องของมันค่ะพรอาจารย์ใจเราจะไม่ทุกข์กับมันรักษาเจริญจิตนะค่ะตอนนี้หนูก็มอง โหนงนะค่ะบันการปฏิบัติของการทําสมาธแล้วก็ฝึกปรัชนาบอกอน้จนะค่ะพระอาจารย์หนูหนูตอนนี้หนูหนูรู้สึกว่าหนูหนูถูกมองตลอดด้วยตัวหนูเองอะค่ะพระอาจารย์ว่าหนูกำลังเป็นอะไรกําลังคิดอะไรกําลังทําอะไรหนูหูเห็นตัวเองตลอดเลยพระอาจารย์ประมาณ น, นี้เนี่ยคะ่ะดีแสดงว่าหนูมีสตินะมีสติ ให้มันคิดปล่อยวางอย่าให้มันไปยึดเป็นติดกับอะไรทั้งสิ้นนะออโอเคนะเอาทางนี้ก่อนนะอรับจะรับไปเป็นที่พึ่งค่ะผ้าจานทุกเก้าทูกเก้าโอเคไปที่คุณสุท ธ, ธาเสน่ห์คุณบอสุท ธ, ธาเสน่เชิญไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านประธานเชิญขอบคุณดีเจ้าค่ะ โอเคถ้าสงบก็หมดปัญหาถ้าไม่สงบ ก, ก็ต้องทําให้มันสงบให้ได้นะจะพยายามค่ะยังเข้ายากโอเคอ่าขอบคุณมาเลยไม่ใช่ว่ามาลีเดียวกันหรือเปล่าบางคนเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปนหน้าตาเสื้อผ้าเปลี่ยนไปแวะนี่สาวหลวงพ่อค่ะเสะียงกันยายนไปงานเลี้ยมาเหรอยังไงซึมมา ถูกส่งมาอบรมค่ะหลวงพอ่อทำอะไรไม่ดี น, นิสัย น, นิสัไม่ดีอ่ะมาอบรมอะ น, น่าจะน่าจะอะหลวงพอ่ออบรมตั้งอาทิตย์หนึ่งอะค่ะหลวงพอ่อ <laughs> อยู่โรงแรมสิใชใช่ค่ะหลวงพอ่ออยู่อยู่ตรงสีราชาเนี่ยค่ะหลวงพออ่ออยู่อยู่ ใ, ใกล้ๆวัดนะค่ะแล้วก็พอเลิก เลิกออกลมก็จะมานั่งสมาธิแบบเงียบเงียบเหมือนอยู่เขาเลยค่ะหลวงพอ่ออยู่โรงแรมโนเทหตรงเนี้ยค่ะหลวงพอ่อตรงตรงีรลาซาเนี่ยค่ะโอเควันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพอ่อแต่แต่อธิษฐา น, นก็ปฏิบัติได้ไดนะเหมือนใช่ค่ะ<ม>ใช่ค่ะหลวงพ่อ้้าหก็อนกันอยู่บนเหมือนกันอยู่บนเขาเชียงอนั้นนะใช่ข้าวหอมใช่ค่ะ ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่มาอบรมเนี้ยเขาก็จะชวนไปนั่งนั่งกินนั่งดื่มนั่งอะไรเงี้ยก็บอกว่าขอตัวค่ะมีมีมาปฏิบัติขอตัวมาปฏิบัติมาทำเรื่องสุลักส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามาทาอะไรอะไรเงี้ยก็ เ, เลยบอกเขาไปบอกเขาไปตรงๆเขาก็ไม่มีใครมากลวนค่ะหลวงพอก็ดีดีค่ะแล้วก็<อ>เราเป็นคนเดียวบางแปลกกเขาทั้งหมดน ใ, รรใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่อแล้วเขาก็ส่วนกินกินอะไรอ่ะกินกินเหล้ากินอะไรเดี๋ยวต้องมีเลี้ยงคาราโอเกะหนูก็เลยบอกเขาล่วงหน้าว่าขอตัวขอขอทุกอย่างเลยอ่ะไม่ไม่ร่วมแต่ว่าก็ไม่กินกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบนิ่งหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีกขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาก็ไปอบรมค่ะหลวงพอ่เนนงพอเนี่ยแล้วจิตแล้วก้็ แข็งมากไม่มีให้เหตุการณมามาทําลายการปฏิบัติของเราได้นะไม่ไม่หวั่นค่ะหลวงพ่อคือมุ mm ่ง hmm. ที่หนูเรียนหลวงพ่อค่ะหนูตั้งใจอ่ะค่ะหลวงพ่อ mm hmm. มีความตั้งใจตอนแรกยังยังนึกโอหไม่ไม่อยากมาไม่อยากมาอบรมเลยค่ะเพราะว่าเสียเวลาคิดว่าเสียเวลาที่แบบเราจะเอาเวลามาปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็สามารถ ปฏิบัติได้ค่ะหลวงพ่อถ้าเราเถ้าเราอยู่ที่ไหนหรือว่า เ, าเป็นข้อสอบชีวิตของเรามันก็ต้องมีมีข้อสอบให้เราทำเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วเมื่อพุทธที่แล้วหนูที่หนูเข้ามาฟังหลวงพ่อเสร็จแล้วหนูก็ไปเปิดดูอนาโตมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาพิจารณาค่ะก็ไปดูโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันยังมันยั ง, ม, ยงมันยังไม่ ยังเข้าไม่ถึงอ่ะค่ะหลวงพ่อต้องดูบ่อยๆต้องดูบ่อยๆค่ะมันมันรู้สึกเหมือส่วนบน่ะต้องสวดบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะจาได้มันยังเฉยๆอยู่อะค่ะหลวงพ่อมันยังไม่มันยังไม่ติดเท่าไหร่อะค่ะหลวงพ่อแต่หนูก็นั่งปฏิบัติอยู่อะค่ะหลวงพ่อแต่แต่ละนนิดมันเป็นปัญญาดูไว้มันก็ดีจะได้ไม่หลงกับว่าร่างกายนี้มัน มีอะไรบ้างค่ะก็คือให้ให้นึกสอนใจว่าต่อไปเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องายสภาพกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะหลวงพ่อให้ให้นึกสอนใจแบบนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายของเรามันก็มีแค่ราวสามสิบสองวันไม่ว่าจะเป็นใครเหมือนกันหมดค่ะหลวงพ่อ ข, ของจริงขงพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดแต่เรามาต่างกันตรงที่ตำแหน่งที่ชื่อที่ครอบครัวที่ ฐานะอะไรเท่านั้นเองซึ่งเป็นสมมุติเท่านั้นแต่ความจริงนี่ร่างกายของเราเหมือนกันทุกคนค่ะหลวงพ่อต้องแก่จะตายเหมือนกันมีการดุกมีผมมีคนแนกฟันด้ำเล่นการดุกเหมือนกันอ่ะแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถบังคับได้มันเหมือนแบบไม่สามารถมันมันไม่ใช่ของต้องปัจจัยเจ็บตายไปตามวาระของมันค่ะหลวงพ่อโน้ต จะพยายามทำปฏิบัติแล้วก็ให้สอนใจบ่อยๆค่ะหลวงพ่อเวลาเรามองใครเราจะไ่้แม่งไปอิจฉาลิสยาเขาหรือน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาสูงกว่าเราดีกับเราอะไรเหมือนกันหมดเกิดเจ็บตายเหมือนกันมีอาการองเหมือนกันโอเคนะอ่านทีนี้ก่อนนะจาสาธุค่ะหลวงพ่อคว่าคุณค่ะ คุณสมชายเป็นสเวเนียเมวันนี้ก็เข้าห้องภาษาอังกฤษกับท่านอาจารย์ครับมากำลังฟังแล้วเข้าเข้าเซ็งเข้าไปในใจก็เลยนั่งรอไปหน่อยก็เข้ามากราบท่านอาจารย์วันนี้ครับ อ, อ, อย่าดังเลยก็ ก็ไม่มีก็ก็เมื่อกี้เห็นว่าอันนี้จังผมก็จะให้อยากอธิบายนะพอเจ็ดสิโลอ่านิดหน่อยนะฮะคือเพราะว่าอันนี้จังเป็นสังขารอนนี้นนจังแปลว่าไม่ไม่มีความแน่นอนอันนี้จังแปลว่ามันเของไม่แน่นอนไม่เที่ยงได้แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ดับ เกิดเทวดาทุยอนิจังใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับภาษาอังกฤษเขาว่าไม่อิ่เพิ่มาันนั่น not impermanent อ่า impermanent <Okay. S 1> not permanent เป <Not S 1> ็นาวนเป็นของช่วงขาวโอเคน่ารักจ okay. thank you โอเคขอบคุณท่านพระอาจารย์มากครับโอเคที <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่คุณจอยพทัทยาจอย กล่า่ก็เหมือนเดิมลูกนอนกันวันแล้วเลยอ๋อเขานอนกันอยู่คนละห้องค่ะมีไอตัวเล็กยังบินมาเมื่อก okay, right. okay. ี้นอนนอนกับหนูค่ะเดี๋ยววันมันพาไปใส่บาดค่ะโอเคนี่ค่ะทำไปเรื่อๆมันเป็นนิสัยสอนลูกไปด้วยลูกจะได้เก็ดนิสัยทำไปเขาจะได้ทำเป็น ค่ะสอบคุณค่ะคุณสุบัตนาจากบอเนดีใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ยคือยมโยมขอ<ง>ขอนุ ญ, ญาตถามพระอาจารย์ว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยออยอมเข้าใจว่าที่ตามจ า, จากที่เรียนกับพระอาจารย์มานะคะเข้าใจว่าเป็นการที่เราไปพะวงกับมันคิดคิดซ้ำๆกับมันอันนี้ถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ คือไปยึดว่ามันเป็นของเราไปยึดว่ามันจะต้องอยู่กับเราต้องดีอะไรเงี้ยเขาเรียกยึดมั่นอ๋อคิดว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมาเป็นของเราอันนั้นคือเป็นการยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งต่างๆนั้นใช่ไหมเจ้าคะเออนกันรถเนี่ยเราก็ไปยึดว่าเป็นของเราเอเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันไม่มีปัญหาเจ้แต่ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาใช่ประเดี๋ยมันก็ต้องซ่อมเดี๋ยวมันก็ต้องเสียอะไรไป เราก็ทำให้เรารทรุกขถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกขเราก็ใช้มันไปรั่วมันเดี๋ยวมันก็ต้องเสีย อ, อย่าประยัดให้มันเที่ยงง่ยายๆเราบ้าจะพอมีอะไรแนละ้วเราอยากจะให้มันเที่ยงอยากให้มันดีอยากให้าอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ ท, ทำประโยช น, นย์ให้กับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรมันทําประโยชน์ให้กับเราได้ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ต้องเสียต้องเสือ่อมต้องหมด ถ้าเราไม่ยึดติดแล้วก็ไม่ยึดติดยอมให้ยอมยอมยอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วแบบนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยก็ยึดเป็นตัวเราเลยใช่ะหมร่างกายเนี่เราเรายึดเป็นตัวเราหรือเปล่เจ้าค่ะอเป็นตัวเราของเราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายะ เจ้าค่ะแต่มันต้องไปได้เป็นไปไม่ได้มันมีเที่ยมอย่าไปยึดมันถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่ยึดก็จะไม่มทุบยึดทุบเพราะมันไปยึดเพราะไปอยากให้มันไม่ไม่ตายอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ รางคนอื่นทำไมเราไม่ไปยึดนะครับทำนมร่างคนอื่นเราไม่ไม่ทุกข์กับเขาร่างกายของคนอื่นทำไมเราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะเราไม่ไปยึดว่าเป็นเราอันหนึ่งของเราอะไรเป็นเราดิเราจะทุกข์กับมันทั้งทีในบ้านนี่บ้านของเราเนี่เราก็จะทุกข์บ้านน้ําท่วมเราจะทุกข์แต่ถ้าบ้านคนอื่นท่วมเราจะไม่ทุกข์เลยดูข่าวบ้านท่วมบ้านไฟไหม้ถ้าเป็นของคดของคนอื่นแล้วเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราอ๋อเจ้าค่ะ เจ้าค่ะคำว่ายึดก็คือไปยึดถือว่าเป็นของเราในี่งเป็นตเราเป็นของเราอ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อื่าเขาเดินไปยังไงเราไม่เดือร้อนอืมเจ้าค่ะถ้ามันเป็นของคนอื่นเราก็จะไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปใส่ใจแต่พอเราว่ามันเป็นพอเราจะคอยเฝ้าคอยดูว่ายังอยู่อยู่กับเราหรือเปล่าหายไปหรือเปล่าอืม เปลี่ยนไป ห, หรือเปล่าเสียเสียหรือเปล่าเจค่ะหวงหวงเป็ น, เ ป, น เ, เป็นไข่ อ, อ, อย่ใช่ไหมหวงอย่เดียววัน น, นี้มันก็ต้ อ, องแตกมันเหมือนฟองนะ้าำน้ำกายเราเหมือนฟองน้ำเดียววันนี้ก็อยู่ท้ายใจก็เหมือนมันแตกพอมันอยู่ท้ายใจมันก็จะเริ่มแตกทิ้ไงไปทักทักเดียวมันก็เน่าเปื่อย โอเคอย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรทั้งหมดเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราอนัตตาพระเจ้าบอกตัวอย่างเป็นนั้นเป็นของธรรมชาติอนัตตาไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพุทเราไม่มีตัวเราไม่มีแต่มีน้ํำลงไฟนะคะพระเจ้แล้วตัวรู้เป็นน้ํำลงไฟแล้วก็ตัวรู้เจ้าค่ะหรือตัวคิดแั่ เรรู้ตัวคิดก็ไม่ใช่เราเองมันก็เป็นเป็นแต่คิดว่าเป็นเราทำไมเราขาด้ระอาจารย์แล้วค่ะแล้วขอบพระคุณพรอาจารย์ก็ค่ะโอเคอเาค่ะทีอเอวเาเอวเอคนที่สา กลาบนมว่เสการค่ะพระอาจารย์มีกลไม่ดีนะบอลทะเลพักใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เมื่อวานก็มีอีกคนญี่ปุ่นเยอะแล้วคนคนคนไทยก็มีเยอะอทะเลอ๋อมันมันทะเลนี่คนจีนล้วนเลยค่ะคนจีนล้วนเลยค่ะใช่ค่ะเหมือนเป็นไชน่าทาวน์อีกเมืองหนึ่งเลยค่ะคระอาจารย์มันก็อยู่ติดกับอยู่ติดกับอเอทมันก็เยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็ในในในเคาน์ตี้ของ l ออมันจะติดกับ มันก็ใต้ดาวเท า, าอะค่ะดาวทาค่ะค่ะตรงนั้นจะเป็นกลุ่มคนจีนเลยคนจีนใช่ค่ะเป็นคนจีนแบบที่เขาขยายออกมาจากดาวไชน่าเทาค่ะอ่ามันโดนนะโด น, นใช่ค่ะตรงนั้นใหญ่มากเลยค่ะเป็นชุมชนคนจีนใหญ่มากๆเลยค่ะ ใช่ก็แบบเออรู้สึกแสแต่ว่าก็มีอีกค่ะเมื่อวานก็มีอีก ท, ที่ที่กาดยิงเหมือนกัน<อ>จำไม่ได้เดยวนนี้มันบ้าเลยนะคนมันบ้ า, นนาอืมอใช่ใชค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวนี้มัน l อลเอมันมค่ อ, ไ ม, คอไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยมันจะมีแบบคลิปเยอะที่แบบคนเข้าไปขโมยของไปอะไระอย่างเงี้ยก็ต้อง ก็ต้องโปรงอาจารย์ใช่ต้องระมัดระวังแล้วเราแบบหน้าจีนด้วยอ่ะบางทีมันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยก็ต้องไปยืนอยู่ในที่ที่แบบมันไม่ดูแบบว่าอันตรายอะค่ะอาจารย์อย่าไปอยู่ที่เบี้ยวใช่ค่ะเพราะว่ามีข่าวก็มีมีมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนคนคนไทยเราก็หน้าเหมือนคนจีนก็เลยไปบางทีไปขับรถส่งของก็โดนโดนตีหัวอะไรเงี้ยแบบค่ะอาจารย์ อ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคค่ะอาจารย์แต่ว่าเราก็ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่บางทีก็ก็ต้องทําต้องต้องไปรักไว้ค่ะไม่แน่ไม่นอนค่ะวันวันนี้ไม่มีคําถามอะไรค่ะอาจารย์แค่มาเช็คชื่อค่ะแต่ว่าก็มีนิดนึงคืออาทิตย์ที่แล้วแบบได้ปกติลูกก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําตอนนี้ไม่ได้ทํางานก็สามสี่เดือนนี้ก็เริ่มปฏิบัติค่อยๆ ค่อยๆล้มลุกคุกคานปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ว่าพอตอนนี้ก็ดีอค่ะก็คือนั่งได้เป็นชั่วโมงแล้วก็สงบ ด, ดีแล้วก็พออาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็คือเหมือนกับต้องออกไปพบโลคข้างนอกบะเออต้องมีเหตุปัจจัยที่ต้องออกไปข้างนอกค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบพอกลับมานั่งสมาธิก็เข้าใจอะค่ะว่ามันเรายังสมาธสติยังไม่ดีก็ยังไม่แน่นพอก็จะมีแบบ เขา้ายาเขา้าเข้าไม่ไม่ไมไมสงบอะค่ะพระอาจารย์ก็ฝ<ช>ากพระอาจารย์คิดบ้างคิดมางใช่่ะ เ, <ช>เรื่อง<ค>แต่เรามาคิดต่อไม่มีสติถัดมันใช่มันปรุงแต่งเยอะอะค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊เราเราคงใหม่ๆ่อะก็เลยคิดว่ามันเราเครียดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยเริ่มมาใหมล่ละเริ่มกลับมาแบบว่าเริ่มฟังเทศเอาเอาทำมาเอาอ่านหนังสือมากขึ้นก็คือเหมือนกลับมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะมาเริ่มมาฟังเทศมามาเริ่มฟังคลิปพระอาจารย์ก็มีพระจีบจำได้ที่พระอาจารย์เทศว่าเหมือนกับความสงบที่เราจะหาเนี่ยถ้ายิ่งจะไปวิ่งตามหามันยิ่งจะไม่เจอค่ะมันยิ่งจะหนีถ้าเราหยุดความสงบนั้นก็จะกลับมาก็เลยรู้สึกเออก็จริงเนาะคือถ้าเรา ไปตั้งแบบไปวิ่งหามันก็จะไม่สงบใช่ไหมคะพระอาจารย์กลัดได้ที่พระอาจารย์เคยเทนถ้ามันใช้ความคิดไปวิ่งหามันแล้วก็อหยุคคดครับปีน้ำรันกันยามาหาเราเองใช่ลูกก็เลยคิดเออเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราอยู่อยู่ที่ตัวเราเองอ่ะเราก็ต้องมีสติค่ะพระ อ, อาจารย์ก็ต้องเพียรต่อไป เ, ออเพราะว่าก็ ค่ะเพราะว่าคิดว่าเราก็ยังเพิ่งเริ่มก็ยังเป็นเป็นเต่าไปแล้วกันค่ะพระอาจารย์เป็นเต่าเดียวเป็นกระต่า ย, ยใช่ค่ะแล้วลูกก็แบบเป็นคาราวาสบางทีมันก็ลําบากมันต้องเข้าไปเจอแบบหลายๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วตัวลูกเองลูกก็ไม่ได้อยากก็คือจริงๆตอนนี้ไม่ได้ไม่เจอคนเลยแบบเจอน้อยมากแต่ว่าบางครั้งมันก็ดิบเลี้ยงไม่ได้ค่ะพระอาจารย์พระเจ้าก็ใช้เมตตาแล้วกนใช้ความเมตตาค่ะพระอาจารย์ บางทีสติมันก็หลุดไปอ่ะค่ะพระจค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะทูกค่ะกับค่ะอาจารย์คุณซัมซอสเอ็มพีหนึ่งสามได้ยินไหมอ่าไม่ได้เลยค่ะได้ยินค่ะอาจารย์พระอาจารย์สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะหนูเมื่อตอนเดินตุลาหนูพาคุณแม่ไป ไปฟังเทศแล้วก็ไปนอนที่บริต้าไปใส่บาทาพระอาจารย์ค่ะวันนี้พอดีไม่ได้ทํางานก็เลยเข้ามาเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะมีอะไรอยากจะถามอยากจะพูดไหมเออจะถามพระอาจารย์นิดนึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เราจะรู้ยังไงว่าว่าเราว่าตอนนี้มันมันเข้าไปถึงสมาธิแล้วคือเราจะนิ่งเราจะสบายอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ ใช่มันจะได้มันจะสงบมันจะไม่คิดอะไรมันจะเฉยอืมค่ะค่ะแล้วหนุกด้วยก่อนจะไปเข้าไปนั่ต้องมีสติก่อยควบคุมความคิดอย่ให้มันคิดให้ดูลมอย่างเดียวแล้วกุดโทบาอย่างเดียวค่ะค่ะพระอาจารย์มีเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาฟังพระอาจารย์เรื่อยๆครับครับหนึ่งบางคนมันมันถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่งห้านาทีก็สงบกเมี ค่ะหนูก็สงบคือคือก็เลยไม่รู้ว่าสงบนี่เ พ, พราะว่าเราสงบของเราอยู่แล้วหรือว่าหรือว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราสงบใช่มันต้องสงบกว่าการนั่งสมาธิมันต้องสงบกว่ตาตอนที่เราไม่นั่ง allora. จะสบายใช่ไหมคะพอ<า><ะ>ออกมาจากสมาธิแลว้วจะเวลาอยู่ในสมาธิก็สบายถ้ามันเข้าไปแล้วมันจะสบาย<ฆ>มันจะเย็นมันเข้าไปในห้องเค่ะ ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจ่รย์อยู่แถว่าสตาส์บุกค่ะใกล้ๆเยอรมันอ๋อสแตตส์ค่ะกขอบพระอาจารย์ค่ะอืรที่คุณชานิสาอยู่ญี่ปุ่นอยู่หลายประเทศนญี่ปุ่นการนวัสการพระอาจารย์ค่ะอืมเป็นยังไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ออสติไม่ค่อยมีค่ะพดีแวะไปดูเกาหลีนิดนึงค่ะแวะไปดูพวกเพลงเกาหลีแล้วทีนี้มันกีรีเป็นชักนำสติก็ไม่อยู่ก็เลยตามดูดูเพลงบ้างดูคลิปบ้างเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็เลยมานั่งคิดว่าโอ๊ะพอมันเผลอไปแป๊บเดียวมันไปยาวเลยฮะเลยต้อง อย่าไปเปิดช่องใหม้มันต้องระวังเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่าไปเปิดประตูเพราะพอเปิดประตูหน้ามันก็ไหลหพวยหรือถ้าเป็นสัตว์มันก็ออกเป็นคอกมันอยู่ในคอกมันก็เว้งพวยกันออกไปใช่ค่ะพระอาจารย์พออดูเฉพาะตอนกลงวันเพรพอดีเวิร์ลฟอร์มโฮมใช่ไหมคะช่ ว, วงว่างก็อ่ะเปิดเปิดคลิกคลิไปเรื่อยคิดซะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งตอนพักเที่ยงค่อยเข้าสมาธิก็ได้ ออมาเข้าสมาครที่ น, นี่มันไม่อยู่เลยเหมือนเข้าไม่ได้ค่ะมันฟุ้งมากเลยก็เลยคิดใหม่อ๋อกลางคืนก็คงเข้าได้มั้งพอกลางคืนก็ไม่ได้เลยแล้วทีนี้จากที่ไม่ค่อยฝันนะคะมันก็จะเริ่มฝันนู่นฝันนี่ฝันฟุ้งซ่านก็เลยคิดว่าโอแค่ไปดูเกาหลีอะไรนิดเดียวยังไม่ได้ดูพวกซีรีส์อะไรเลยยังเป็นขนาดนี้ถ้าเราออกไปทํางานออฟฟิศเต็มตัวแล้วไปดูแสงสีเสียงอะไรข้างนอกนี่ จะเป็นยังไงก็เลยคิดว่าตั้นี้ไปคงต้องพยายามมากขึ้นแล้วอะค่ะพระอาจารย์ต้องเพ่มคาดกับตัวเองหน่อยนะทุกวันทุกวันที่เข้ามานี่ได้กับไ ด, ไ ด, ได้แตะเบรกพระอาจารย์ <น S 1> <ม>ได้ฟังพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังเคสตีณจากคนอื่นมาแ<ม>บบโอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราต้องเพิ่มความเพียรแล้วก็เพิ่มสติให้มากขึ้นเราจะได้ไม่หลุดไปได้ค่ะดี พระอาจารย์คะัาอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเออที่เราฝันฝันไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่มีสติแต่ว่าเวลานอนเราก็ไม่มีสติอยู่แล้วหรือเปล่าคะพระอาจารย์ใช่เวลานอนเราไม่มีสติแล้วใจเรามันเคยไปโุกพันกับเรื่องใดมันก็จะคิดเรื่องนั้นมันก็กลายเป็นความฝันขึ้นมาอย่างหนึ่งหรือบางทีมันก็เรื่องของบุญเป็นตัวผลิตความฝันเรื่องเรื่องของบาปถ้าฝันดีก็เป็นเรื่องของบุญเป็นตัวผลิต ถ้าพันไลน์ก็จะไปเรื่องบาปเป็นรูปอะไรเนี่ยหมายถึงเราเคยทํำบาปทากรรมอะไรอย่างแย้หรอคะเมืนอาชัยมันก็จะเหมือนเป็นมันก็จะมันทึงไว้ในใจเราพอเรานอนหลับมันก็จะเปิดเหตุการณ์ที่เราไปทํำมามาเป็นภาพเป็นความฝันให้เราได้สัมผัสรับรู้ทันทีนี่รอค่ะอย่างเมื่อคืนเนี้ยสุดสนมร้อนเลยค่ะพระอาจารย์ฝันฝันแบบฝันน่ากลัวมากฝันเกี่ยวกับผีแล้วก็ฝันแบบ ฝันเห็นผีอย่างเงี้ยนะะแล้วก็ฝันเห็นมีเท้าใหญ่ๆจะมาเหยียบหนูก็เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรรมเหมือนหรือว่าเราคิดมากไปก็มันได้ทั้งสองอย่างมันก็มาจากความคิดความคิดที่ว่าจะที่เรากดจำไว้ในอดีตกับเหตุการณ์ที่คดพลายคืนกันแล้วมันว่าปรากฏขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปกังวลอ่ะมันมาห้ามมันไม่ได้นี่แต่ห้รู้คร่าวว่าความฝันมันเกิดขึ้นได้จากเรื่องบุญ เรื่องบาปที่เราทำเนื้อความผูกพันกับสิ่งยาที่หนึ่งเรื่อยบางทีเรากต้องผูกพันเกี่ยวกับเรื่องซ่อาบ้านอะไรงทีนอนหลับมันก็ฝันเรื่องซ่อมบ้านต่อได้อไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับสตินะคะพอนนอนหลับมันไม่มีสติเลยเ น, นี่ยหลับถ้าไม่ ม, มีสติมันก็ไม่หลับเลยนน <laughs> โอเคค่ะเข้าใจ <นะ S 2> แล้วค่ะอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ อคุณจิ๊บเราต้องงานเห็นเข้ามาตรองงานแล้วเข้ามาว่าพูดงออกไปหายไปแก้วประวัต ก, การค่ะพอาจารย์ไม่ได้ออกค่ะก็ฟังตลอดแต่ว่ า, าเผอิญว่าปิดหน้าจอเพราะว่าต้องหันไปคุยกับเพื่อนร่วม ง, งานก็เลยแบบปิดหน้าจอไว้ก่อนเล้าค่ะถ้าอาจารย์สบายดีนะคะ่ yeah, สบายดีตรงนี้พอดีโยมออกมาคุยข้างนอกออฟฟิศพระอาจารย์ได้ยินชาร์ตไหมคะชาร์ตชดี โอเคคือยอมไม่มีอะไรอะค่ะเมะื่อวานก็มีบททดสอบใหญ่เหมือนกันเข้ามาก็คือมันมีเรื่องว่า hmm คือเรื่องเกี่ยวกับขึ้นศาลอีกแล้วว่าค่ะพระอาจารย์กับสามีเก่ามันก็ยังไม่จบทีนี้มันมีปัญหาคือว่าโยมอาจจะต้องอีกหน่อยลูกโตอาจจะต้องขายบ้านเพราะว่ามันเรื่องเงินเรื่องทองเยโมก็แบบโอ้โหอะไรมันแบบใช้เงินเทียว้ไม่เยวของเราแล้วใช่ใชช่โยมก็เลยแบบเออผมมานั่งตองอันนี้จังว่าเออ ขายก็ไม่เป็นไรขายก็เอาเงินให้ลูกถึงแม้พ่อเขาจะเอาเงินลูกไปแต่พ่อเขาจะมาให้เราใช้คืนให้ลูกก็ถือว่าเราให้เงินลูกขายก็ขายเผื่อจะได้สันโดษไปเลยคราวนี้อ่ะลูกนม่นจบขายก็กขายโยมก็แบบเออไม่เป็นไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีเสมอแล้วโยมก็นานามุยมุยเศาเศร้าไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะลูกชายมาเห็นลูกชายก็เดินมาบอกว่า เข้ามาก่อนแล้วลูกก็บอกว่าแม่ it's okay นะ everything น is temporary ลลูกก็บอกอย่างเงี้ยลูกก็มปปัญญามากขอเราเนี่ยนะเนี่ยเซลก็บอกเอาที่แม่ร้องไห้มาทั้งหมดนี่คืออะนรแม่ไม่ยาวแล้ว่ยาวมันิ่จังนะช่ยก็บอกเอออนไรจังทุกขขังอนาตาเออมันก็แบบเอออันนี้มันก็จริงเนาะ<ม>แล้วยมก็มานั่งว่าคุนก็เลยแบบเตริญปัญญาไปก็เลยแบบพยายามนั่ง สงบสติแล้วก็แบบไม่เป็นไรเดาเราก็ค่อยๆแก้ไปแล้วก็เลยมานั่งอ่านหนังสือพระอาจารย์นะคะทุกย่อมไม่เกิดกับคนที่เดาปะนะโยกทุกย่อมไม่มมไมมกับคน ก, กับผู้ไม่เกิดใช่คะ่ะโยมก็นั่งอ่านไปโยงก็แป บ, บโโหแล้วมันก็เห็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพ เ, าพ เ, าพเลยอยงแบบอ๋อ ส, สัตว์โลกนี่ก็คือรวมทุกอย่างที่เกิดในสังสารวัฏทั้งหมดเลยพุทเทพเทวดาก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกเหมือนกันโยงก็แบบอ อย่างนี้คือการไม่เกิดคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยโยมก็นั่งมองย้อนตัวเองเราอยู่สเต็ปไหนเรานี่ <c oughs> นนยังไม่ได้เต็ปเลยรายังไม่ได้ขึ้นสเ <c oughs> ต็ปเลยังอยู่ใน <c oughs> บอ่ออยู่ยังอยู่ใน <c oughs> บ่ออยู่เอ๊หนูย่อนหนูย่อนมเล็ดรือยังหนูยังไม่ย่อนเลย <c oughs> อยี่ต้มเ <c oughs> ยโยมก็แบบเอเอไม่เป็นไรก็แบบโอเคเอาต่อไปนี้ ถ้าผาเรื่องนี้ได้ทุกเรื่องก็ไม่เป็นไรก็เลยคิดยอมหยุดเย็นของอาจารย์ก็ลอยขึ้นมาอีกแพ้เพื่อชนะก็เอายอมขึ้นมาอีกเราก็แบบโอเคจนลูกชายแบบแฮมป์ร์ยอมแบบปรีงขึ้นมาโอ้สิ่งที่เราสอนลูกไปเออเขาจำเนาะเขาจำเนาะแล้วเขาก็มาสอนเรากลับไรนีเราโอเคโอเคแสดงว่าที่เราทํามาลูกเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วลูกเราคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ อก็ไม่มีอะไรก็มาเล่าไปอาจารย์ฟังก็พยายามบางทีโยมกันคือถ้ายมนอนสมาธินี่คือโยมเอามือไว้ที่พุงอย่างนี้มันได้ไหมคะอาจารย์แล้วเราก็แบบได้แต่มันจะหลับมันจะหลับมันจะไม่ได้สมาธิมันจะหลับมันถึงว่าถ้าเรานั่งนั่งโยมนั่งไปแล้วบางทีมันก็แบบโอเคได้ลมหายใจเหมือนลมหายใจพอนั่งไปปุ๊บมันเหมือนมันหลุดไปเลยอ่ะเหมือนแหว่งตรงนี้ไปเลยอะค่ะอาจารย์อันนี้มันถูกไหมคะ คือนั่งมองหมือนใจจนกระทั่งมันเหมือนแบบมันมันโล่งโตมันมันหายไปมันโล่งแล้วมันหมือนมันเป็นหลุมหลุดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตามความเป็นจริงก็แล้วกันมันจะเป็นไงก็ดูตามความเป็นจริงอ๋อก็คือเราก็เอาสติมองมันอย่างนี้ใช่ไหมค่ะดกไปเช่ๆดูไปเฉยๆค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์โยมก็ขอพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้โปร่งและนขอให้ปร่งและนิจจงให้ได้นะ พยายามค่ะว่าอาจารย์ถ้ามีเรื่องมากระทบเขาหน้านะถ้าไม่ร้องไห้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไดครึ่งหนึ่งแล้าวค่ะอาจารย์ค่ะ <Okay. S 1> ขอบพระคุณค่ะว่าอาจารย์ขอบพระคุณที่เมตตาสั่งสอนนะคะอ่ า, อาขอบพระคุณทีมงานด้วยคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะไปที่คุณบอดี้คุณบอดี้ไ ม, ไมอ่านชื่อถือว่าบ้าไปหนูเป็นหลักสอนะนนะเมนต์เนี่่พมาชื่ออะไรนะอ่านอ่านาาได้ยง จารียนมากมมาเลยพูดได้เลยเปประเทศลาวครับอ่าประเทศลาวชาวบ้านก็โดยขั้างในซองแล้วมันก็นอยฝึกดูจิตนะอาจารย์จย<ห>่าเพิ่งไปดูมันหยุดจิตก่อนอย่าเพิ่งไปดูจิตหยุดจิตก่อนหยุดคิดก่อนอยู่ตอนนี้ก็ทําอะไรมันไม่ได้ก็หยุดหยุดมันให้ได้ห่อนนะต่อไปเวลามัน มันทำมันคิดอะไรไม่ดีครับแล้วเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเรายังหยุดมันไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเข้าใจไหมใช้สติดูพุโทโธไปก่อนอยู่กับพุโทโธไปก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วจิตมันก็จะหยุดคิดได้แล้วต่อไปเวลามันคิดอะไรไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้เวามันจะกอดใครเราพุโทโธพุโทโธหยุดมันได้ ถ้าไม่มีพุทธดูมันไปเวลามันโกรธก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโลภก็หยุดมันไม่ได้ขวัญใจบอกหน่อยขวัใจมีอะไรไหฮะถ้สางกระทบกนะค่อยสึกออกกน่อก็แค่รู้เฉยๆงานมนกระทบกไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปรักอย่าไปทางอย่าไปยินดียินร้ายเฉยๆไป ใครด่าก็เฉยๆใครชมก็เฉยๆเข้าใจรึเปลด้วยรเข้าอ่าต้องฝึกพุทโธมากๆแล้วมันจะเฉยได้นะโอเคขอบใจได้พระอาจารย์ด่าคุณตูนตอบตูนอยู่ที่ไหนคุณตูนโคราชใช่ไหมแรียเชื่อื่อของใครเนี่ยชื่อของใครนะ อัญญารงอัญญารกราบธรรมสการเจ้าค่ะก็ตอนนี้ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอค่ะพระอาจารย์ติด ม, มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ช่วยเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจ ะ, อะขอบคุณทีมนะคะที่นำคลิปของพระอาจารย์มาตัดสั้นๆค่ะ ผัดเราจิตใจเราได้ดีจริงๆแล้วก็มันเป็นสั้นๆเราสามารถที่จะดูได้แว็บหนึ่งเพื่อเอาตอนเองแบบนี น, <ช>นะคะ่ะคนชอบสั้นๆข้ามมันได้ประเด็นเลยมันทีชัดค่ะแล้วถ้ า, ถาขาข้าวาตาักแต่เนื้อๆเลยไม่ต้องไปเอาน้องนอนหน้ามันให้มันเสียเวลาอค่ะอันนี้อันนี้ดีมากๆเลยค่ะขอชื่นชมจริงๆค่ะพระเจ้า มันจะมีหลายอย่างที่เล็กๆสั้นๆแล้วก็ชัดเจนเราเราอยากดูจุดไหนที่เราต้องการเราก็ตรงนั้นเลยนะคะพระอาจารย์ใช้ได้เตือนสติต น, นเองได้ด้วยค่ะดีมากดีมากอพอคนทำมือจะดีใจเป็นคนชอบจริงๆเลยค่ะค <c oughs> <Além S 2> ่ะ <Roberts> อย่างอื่นไม่มีคำถามเจ้าค่าก็พยายามปฏิบั <Okay. S 1> ติอยุโอย่างที่พระอาจารย์ สอนมานะคะ <Okay. S 2> ่ะค่ะสงบมากขึ้นค่ะค่ะกลับขอบพระคุณสาธุค่ะที่คุณงสุดาต่อทงสุดาอยที่ไหนอยูกรุงเทคค่ะพระอาจารย์ร น, นี่แหละราชกาชาวลี้คำถามค่ะพระอาจารย์สองสองคำถามนะคะพระอาจารย์ อ, าาอยากถามเรื่องอารมณ์น้ดนึยค่ะพระอาจารย์ อ, อมันก่อนมีมีอารมณ์โกรธที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้วิธีที่พระสารยในะนามก็คือได้เห็นออพอมีคําพูดที่เราไม่ชอบขึ้นมาเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็ใช้วิธีที่พอดีคำคำพระสารย์มันขึ้นมาเลยว่าเรามีหน้าที่ฟังก็เลยอยู่กับการฟังจนจนเ อ, อบทสนทนานแล้วมันจบก็ความรู้สึกก็ก็จบไปด้วยพระสารก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามัน ไม่เกิดเป็นความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความโกรธก็ค<ช>ือเห ม, มเหมือนคล้ายๆเราเราให้สติเราอยู่กับการฟังก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีช่องให้ไปคิดอยากแล้วก็โกรธนจะจ๊ะพอพอเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชว่าปกติจะรู้ว่าทันว่ตัวเองโกรธแล้วค่อยมาหาว่าเกิดจากความอยากอะไรเช่นค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เริ่ม เรียนรู้ต้นเลยเอาที่ใจเลยใช่รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปค่ะพอพระอาจารย์บอกว่าความรู้สึกมันก็เหมือนเวทนาที่มาทางกายนะอันนี้มาทางเสียงก็เลยใช้วิธีเดียวกับที่เรารู้เวทนาอืมก็คือทนทนมันเฉยๆจนมันจบไปก็พอพอเข้าใจแล้วอาจารย์ก็ทําได้แต่ทําได้น้อยครั้งมาอาจารย์ส่วนใหญ่ไปรู้ตอนเกิดแล้วก็รอไปเปลนใจรักแล้วก็ บางบางครั้งมันสองวันมันถึงจะหายนะพระอาจารย์มันแต่เราเราจะไม่ยอมไปไปทุกซ้อนกับอารมณ์แต่จะเหมือนถ้าถ้าเราไม่พิจารณาว่าอยากอะไรมันจะเนื่นช้าที่พระอาจารย์บอกนีะค่ะการที่รอให้มันดับใช่มันจจะช้าเพราะความอยากมันยังไม่ยอมหยุดใช่ก็คือวันวันนั้นมีเป็นสัปดาห์เลยพระอาจารย์เราเรามีความกังวลกับเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วมัน เหมนมันแค่ลืมไปแล้วมันพอระว่างก็กลับมาใหม่มจนจนเราต้องปัญญาเกิดจากความอยากของเราใช่ค่ะก็คือต้องต้อ ง, ต, องต้องหมั่นพิจารณามาจริงๆอารมณ์นั้นๆมันถึงจะหายไปจริงๆอค่ะทีนี้หนูสงสัยคําถามคือว่าอารมณ์ที่มันไม่ได้เกิดจากสิ่งกระทรบแบบเสียงที่คําตำหนิแต่มันเกิดจากใจเราเองที่ หรือแม้เจะหลบก็ได้ความจำความจาในอดีตเรืความริกเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมาทําให้เกิดอารมณ์นั่นมาได้อทําอารมณ์กรียกว่าทําอารมณ์มันมีหกทวารมีรูปเสียงกลิ่นพสรสชาติแล้วก็ทําอารมณ์นี่ก็มาทางตาหูจมูกนั่นเองกายแล้วก็ใจทำอารมณ์กิอนในใจก่อนจากสัญญาสังขารที่เราไปชิดปรุงแตงถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็กำนวลได้ คือก่อนหนะ้าที่เจอพระอาจารย์ตอนที่ครูบาอาจารย์รู่ก่อนหลวงพ่อท่านท่านจากไปนะมันช่วงสองปีโควิดเราไม่มีครูบาอาจารย์ทุกับอารมณ์ที่มันเกิดจากความาาคิดเราเองคือไอคนมาต่อว่าเราไม่ยอมหลบช่วงไม่ทํางานก็อยู่คนเดียวมันก็ก็พอพอค่ะแต่ไอความคิดแม้เราจะอยู่คนเดียวมันก็ยังเกิดเป็นอารมณ์เนี่ยพระอาจารย์จนจนมันมตอนนั้นได้ก็ไม่เฉลี่ย อตอนนั้นตอนนี้หนูก็ใช้หลักที่พระอาจารย์สอนคือสองปีชุบชนภาวนาก็ไม่ได้แล้วพระอาจารย์มาให้ข้อหนึ่งที่บอกว่าอารมณ์มันก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยพอพอเห็นสิ่งนี้มันเหมือนแบบง่ายของที่คว้า ม, มาพระอาจารย์แล้วเราทั้งโง่ทั้งบ้าจะกั้นกาแพงในหัวเพื่อจะหยุดความคิดมันอยู่คนเดียวก็ยังคิดแล้วก็ยังกังลวลก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์สอบถามเพิ่มว่า อ, ออารมณ์ที่เกิดจากความคิดของน้องเองมันจะมีความรู้สึกหรือเวทนาให้ให้รู้ก่อนเนี่ยค่ะอมันก็ต้องก่อก่อนนะเวทนาทึงจะตามมาสุขทุกข์ถึงะตา ม, มาแต่ถ้าหรือบางทีไม่สุขไม่ทุกมันก็มันก็มีสามอารมณ์สามเวทนาถ้าคิดไปในทางกิเลสมันก็ทําให้ทุกข์คิดไปในทางธรรมันก็ไม่ทุกข์ก็คือมันเกิดจากความคิด ความคิดของ<ะ>เราเนี่ยนะคิดถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการจะเจออ่นี้เราก็ฒุกว่าเราต้องใช้เรา ต, ต้องสอนให้ันขี้ไปทางปัญญาว่ า, าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ถ้าจะต้องเจออะไรก็ต้องเจอเราก็ต้องยอมรับมันยอมรับสภาพมันเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็คือใช้ถ้าถ้ามีอารมณ์แบบเกิดจากความคิดเลยรเราก็ต้องใช้ใช้ใจรัก รอบกนแล้วก็ถ้าเราขยันพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากอะไรมันมันถึงจะหยุดได้จริงแต่แต่มันต้องเป็นทางนี้อย่างเดียวเช่เขาจะเราหลบใช้สติก็หยุดคิดไปก่อนใช้ททไก่อนถ้ถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นแล้วยังค้นหาสาเหตุไม่ได้ก็หยุดด้วยสติไปก่อนค่ะค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้ทีนี้มัน มันจะมีพอดีเราจะมีรักษาตัวเรื่อยๆค่ะฉันพอพอเราได้เห็นว่าแบบมันมีทัสสะแล้วทาให้เราเกิดเวทนาเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบค่ะทีนี้พอพอเสียงคุณหมอที่เข้ามาในห้องที่เรากํำลังจะต้องรักษาตัวเนี่ยเออพอพอเห็นจากความโกรธก็เลยก็เลยรู้ทันละ ว, ว่าเสียงนี้มันทําให้เราใจเรามันเกิดความรู้สึกแบบนึ่งก็เลยก็เลยพูดโท้อะไรก็ตาม ให้เสี่ยงกันผ่านใจใจมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อค่ะอาจารย์ทีนี้ถึงแค่สงสัยว่าบางทีระหว่างนอ น, น, อนรอคุณหมอเขาห้องห้องห้องปลอดเชื้ออะไรมามันมีทั้งบางทีก็จะเป็นอารมณ์ตื่นเต้นบ้างหรือร อ, ร อ, ร อ, ร อ, อะไรต่างๆที่มันเข้ามาในใจเราถ้าถ้าเรารู้ไม่ทันมันเป็อารมณ์เลยมันคือความรู้สึกมันจําเป็นต้องทราบไหมคค่ะอาจารย์หรือแค่รู้แล้วก็วางคือรู้แล้วปัญหาก็วางไม่ได้ วางไม่ได้เพราะเราไม่มีสติพอเราก็รับฝึกสติเยอะๆสติให้มันเป็นอุเบกขาให้ได้อุเบกขาแล้วต่อไปเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมันรู้ป้ามันก็วางได้เลยถ้าถ้ารู้ระ้วังได้ก็จบก็จบใช่ไหมเจนก็กลับมาเป็นปกติไม่ไม่ไม่รุนไม่วุ่วาไม่ทุกข์ไม่เครียดสุดนะคะส่วนส่วนการรักษาสองครั้งล่าสุดที่พระอาจารย์แนะนําว่าคอนเซปต์มันก็ให้มองเป็นเพื่อนเราค่ะอาจารย์ อ๋ก็มันมันได้ผลอะอรก็ต้องมเป็นเพื่อนหมือนกันเครียดกเเป็นเพื่อนเรค่ะก็เหมือนพอพอเริ่มเจ็บพออยู่กับมันได้แล้วก็มันเป็นแบบอะมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็โอเคพักษ่าเราก็เข้าพูดโทไปมันมันมันไม่มีความรู้สึกที่โอ๊ยเจ็บเราต้องพูดโทแล้วนะเหมือนการตงแต่งตรงนี้มันก็เลยหายไปจ้า ใช่มันก็ใจมันก็รากไปอันนั้นระดับสูงสุดก็คือยอมรับสภาพร่างกายอยู่ขับมันไปไม่ต้องทําอะไรค่ะแล้วอีกครั้งล่าสุดก็เลยมันเหมือนเราเห็นความเสพที่มันเข้ามาเป็นระยะมันเหมือนเป็นกระแสที่เข้ามาแล้วเราสรุมันก็ผ่านไปผ่านไปทางหนึ่งชั่วโมงที่ที่รักษาตัวมันก็เลยเป็นสภาวะที่ ความเสร็จมันเข้ามาแล้วก็ใส่เข้ามาเป็นเป็นกระแสเป็รอเข้ามาอาจารย์ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าได้ได้ประโยชน์มากจากที่พรนะอาจารย์เนีพระอาจารย์แนะนํามาให้หมอกันว่าเป็นเครื่องนะครับอาจารย์ครัุดิชาค่ะกับคําถามสุดท้ายเป็นสงสัยนี่พระอาจารย์ว่าจิตรเราจิตรเราจิตเขามันมีตัว ต, วตวนไหมคะพระอาจารย์จิตมันเป็นตัวรู้ตัวคิดถ้ามันไคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนท่านเลยก็จะความคิดของมันเง ตัวตอนนี้กิจากความคิดเหมือนกับความคิดจะไปคิดว่าโลกนี้แบนเมื่อก่อนสมัยก่อนคนก็ไปคิดว่าโลกนี้แบนมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดถ้าเราขึ้นตอนสูงตอนที่คนที่เราเคารพรักท่านท่านจากไปเนี่ยอมันมเราเรามองเห็นว่าท่านเป็นเป็นสักแต่ว่ากาย ท, าท่านก็เป็นท่านก็เป็นเพียงแต่ภาพรูป สน ด, ดินน้ำลมไฟคือร่างกายมันก็กับคืนสู่ดินน้านลมไฟไปส่วนธาตุมันก็ไปต่อมันก็ไม่หาร่างกายใหม่ต่อค่ะอย่างนี้ท่านเป็นจิตใช่ไหมครับจ้าจิตจิตเป็นธาตุตนท่านเป็นธาตุนุที่ที่สามารถคิดได้รู้ไู้ว่าลายได้มีความสามารถคิดนะครับมีเวทนาสัญ ญ, ญาลังนารสัญญาอยู่ในจิตนี้ แต่ถ้านึกลงไปถ้าเราตั้งสมาธิเรามีตัวรู้เรารู้ว่าเวทนาหรือความคิดมันไม่ใช่เราแปลว่าคนึกลๆไปตัวตนอยู่ที่ตัวรู้เวทนาก็ไม่ใช่เราตัวรู้ก็ไม่ใช่เราตัวรู้ไม่แค่ตัวรู้ตัวตนตัวตนนี่เกิดจากความคิดพอะเราหยู่ความคิดตัวตนก็หายไปพอตั่งสมาธิจิตสงบแนงตัวตนก็หายไปแต่ตัวรู้ เพราะตัวตมันมาจากความคิดเองเราคิดขึ้นมาเองความคิดคิดขึ้นมาเองมันเราคิดแต่งนิยายคิดแต่งนิยายก็ใช้ความคิดนะแต่ว่านายก็เจอนายขอไปทํานู่นทํานี่เอแล้วพบกับนางนู่นนางนี่มันก็เป็นความคิดแต่งขึ้นมาเป็นนิยายอาจารย์ไอ้ตัวตัวนี้ตัวเรานี่ก็เป็นเป็นนิยายที่ตัวคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปลองเชื่อมัน เป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นจังไปกมันพอถ้าพอพอเราเห็นโอเคคุณท่อที่เรารักที่สุดสอท่านจากไปพอพอเห็นว่านี่คือศักดิล ว, ว่ากายจิตเราก็จะถอดนะความทุกข์แล้วรู้สึก<ม>ว่าท่านเป็นจิตที่ที่จากไปแล้วอันนี้มันถ้าตัวชีวะที่แม่ทชายบอกว่าถ้าจิตเราสงบไม่ถูกก็ถือว่าใช้ได้ใช่า ก, การ<ด><ด>การ<ด>พิจารณาแบบนี้แต่เราเวลาเราไปพิจารณาคนที่ทําให้เราโกรธนะคะใชา เราก็ใช้วิธีว่าคนนี้เป็นสักแต่ว่ากายแต่รู้สึกเขายังินตัวเขาเป็นจิตตัวเขามีเจตนาที่จะบอกว่าเราใช่เรากมาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ือก็จะมีเจตนาหรือไม่เป็นเจตนาแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้ค่ะก็คือเราต้องปล่อแล้วก็ปล่อยก็ทําไปแล้วก็รับไปนะครับในการที่เราคนฟังคนที่เขาพูดที่เราไม่ชอบ ก็คือเขาเป็นตัวตนเขาเป็นจิตอะไรแต่เขาเป็นยี่ห้อเขาเป็นสภาวะธรรมอย่างเนี้ยที่เป็นสภาวะธรรมอย่างนี้เข้าใจละค่ะอาจารย์กลับขอที่นิ่งช้าเป็นก็เป็นเหมืนผ้าที่เหมือนกับเหมือนกับฝนตกเนี้่ไม่มีตัวตนแต่นั้นก็มีมันก็มีมีคนกระทบกับเราใช่ไหมแต่เราก็เราก็ไม่ไปถือสาฝนเราไม่ถือซื้อถือสากับดวงอาทิตย์มันจะร้อนก็ต้องร้อนก็ต้องอยู่ออกมาไป จริงๆหนูหนูถือสาเขาอยู่แต่พอหนูพิจาาณาเสริมเข้าไปว่าเขาก็เป็นไตรักเป็นอนัตตาเราก็เลยถึงจะวางใหใจแล้วก็เป็นอนัตตาตอนนี้จะนไปปฏิบัติต่ออบพระคุณอาจารยเราจเย็นใจเราจะสงบายไม่ไปเครียดไปกับอะไรค่ะขอบพระคุณอาจารย์คุณหอหนาวุติคุณบอ นี่ไงขอเข้ามากราบนส้สกัดน้าจาย์ครับวันนี้พอดีเข้าเหล่นี่เป็อดีไเลคเชอร์ก <ไป S 1> ับน้องเล่ทางานงานก็เยอะนะโ อ, อะครับแต่ก็ยังสงบอยู่จากที่ไปปฏิบัครับก็อยากต่อเนื่องอยู่กับนี่หลักยาปล่อยว า, วางเฉยสัแต่ว่าร่งไปทักครับทำใหแต่สบายใจโอเ <laughs> คครับอันนี้คุณชัยอันนี้คุณน้อยคุณน้อย ถามนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงค่ะอืมนั่งทุกวันยังตุ้จีนอยู่ใส่ชุดแดงอยู่นะอ่าเสื ก, กีฬาเจ้าค่ะอ๋อเส้อกีาน่ะค่ะอ่านั่งทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ไหนใช้กะละยุทธ์ว่าถ้าเราจะตายเราจะทํำยังไงเจ้าก็ต้องทําสมาธิถึงใจจะสมบจะได้ไม่ทุกข์ความตาย ก็เลยสงบเจ้าค่ะแต่ก็สงบได้ไม่นานหน่อยนั่งได้ไม่นานเลยค่ะวัละยี่สิบนาทีเองเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มนทีละห้านาทีห้านาทีอย่าเพิ่งลุกพอถึงเวลาอยากเชื่อลุกก็พ่นโทรต่ออีกสักห้านาทีเจ้าค่ะนะเดี๋ยวไม่เยอะนั่งนานๆไปเรื่อยๆต่อไปเจ้าค่ะค่อยๆบังคับมันให้นั่นานขึ้นนานขึ้นไป เจ้าค่ะรู้สึกว่ารู้สึกปฏิบัติอ่อนแต่ก่อนยังได้แบบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้น้อยก็งงตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าจเจริญสติน้อยเจ้าค่ะเออหรอตอนนั้นสองชั่วโมงอาจจะเป็นหลับโดยที่ไม่รู้สึกตัวก็ได้ม <laughs> <laughs> ั้งจบแนั่งหลับมากกว่านั่งนั่งสมายที่ว่า ใช่เจ้าค่ะตกลมตกบ่อเจ้าค่ะออตกพวังหลับไม่ใช่พวังสมาธิเจ้ค่ะก็<ม>ยังเข้าใจว่าที่ที่ที่ไหนบอกว่าเคยพู ก, กับที่เจอปัญหาตอนนั้นนะเจ้าค่ะที่บอกว่าสังเกตคือเข้าใจว่ามันไม่เห็นลมแล้วทีนี้ก็เลยพยายามสังเกตตรงที่มันเห็นลมที่สุดแล้วกลายเป็นว่าเราก็ยังเพ่งอยู่ในร่างกายอะเจ้าค่ะ ก็เวลาก็ดูไปเพื่อเพื่อไม่ให้เราไปคิดอะไรทั่นเองเป้าหมายดู<ต>อะไรก็ได้เพื่อให้เราหยุดความคิดอืมันก็สลับกันไปเรื่อยนะเจ้าคะ่ะปลายจมูกตรงริมฝีปากอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็ให้มันอยู่ทางนั้นนะอย่าไปอย่าไปเที่อื่นก็นแล้วกันเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะอีกอยางแสดงว่าทำกกํำถูกก็คือถูามันมีลมก็รู้ว่ามีไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีท่าองไม่ต้องไปทําอะไรรู้เฉย เจ้าค่ะเพราะว่าคือดูดูแล้วทีนี้มันคือด้วยความที่เข้าใจว่าผู้ปฏิบัติทุกคนคงเห็นว่ามันละเอียดมากแล้วมันมองไม่เห็นลมเลยเหมือนเราแบบไม่หายใจเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ตายไม่ตายหรอกไม่มีใก็ไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิตายจากนั่ง ก, กินเหล้ากันมากมากว่าคช่ใก็เลยสังเกตแล้วก็แบบเท่งเครียด เก่งว่าเฮ้ยมันต้องเห็นนะต้องเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะไม่ต้องเห็นให้รู้เฉยๆรู้ตามคามเป็นจริงไม่มีอะไรให้เห็นก็เลกไม่มีอะไรจ้าะถ้างั้นก็ทาตามที่ก็ใส่โอเคอ่าถึง่<อ>าทนะทุกททุกวันนะโอเคอ่ไปที่คนปาวินจาก Dallas, Texas. เดลัสเท็กซัสปาวินกลับมันเลการครับไม่มีอะไรถ้าอาจารย์มา มกมารกาลครับผมโอเคอาตุไปที board? Board? ่คุณบอสบอสกล่าวนามาศกาอาจารย์ปัทยายังเปนบอสเป็นัทยาครับดีเข้าสองการบ้านตั้งแต่ครั้งก่อนปีใหม่ครับ okay. เอเาสั้นๆหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับก็ ว, วิเวกถูกถ่กคือสิ่งที่หาานาได้ครับตอนนี้ก็ ไม่ไม่มีอะไรถางพระอาจารย์เข้ามาสองกันบ้านเางวดไปเปิด่เว้นแลเนี่ยในที่สุดนะคใช่ไปเปิดม่เวนที่ไหนล่ะการจนะบุรีค่ะกานะบุรีโอเคเป็นสำนักหรือเป็นอะไรเป็นสำนักส่งพระท่านพาปฏิบัติตีคำมืแตีสามถึงสามทุ่มก็ทำตามทัดเจริญสติอย่างหลวงพ่อว่าเลยตามเวันตัวเบืียนเจ็ดปีครับได้ทำตามได้ีนะถึง อคนเกิดรังเกิดบันเด็จหายหน้าไปหลายที่นะอ่าทิตย์ที่แล้วเข้ามาไม่ทันกับพระอาจารย์ตอบคําถามเสร็จก็เลยแบบไม่ไม่ยืนเยอะแล้วเพราะมันเด็กครับก็อ่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องเอ่อพดีมีเหตุที่เอเจอปัญหาเรื่องการเงินนิด น, นึงครับก็เลยแบบมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนครพระอาจารย์ก็เลยแบบเอาพวกพวกการ์ตูนเก่าๆที่เราเคยสะสมนะครับเอาไปขายครับ ก็ขายได้เยอะเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่ามันนึกถึงที่ผู้อาจารย์บอกครับว่าพอเราไม่สะสมไม่ไปเก็บมันมันสบายใจกว่าอีกครับใช่เาจะหมดขาดไปอย่างนึงมันเหมือนที่อาจารย์บอกคือพออ่านเดี๋ยวก็อยากอ่านเด็กก็อยากอ่านมันมันไม่จบสักทีครับพอรู้สึกเออมันเจอวิกฤตมันก็เหมือนมันจุดเปลี่ยนแล้วเออไม่อ่านก็ได้ก็ประหยัดเงินหน่อยอะไรอย่างนี้ เอาไปขายแล้วก็ไม่ต้องซื้อเติมมาใหม่เราก็สบายใจไม่ต้องเปลืองที่เก็บไม่ต้องซื้อตู้เก็บอะไรเงี้ยครับประจารย์แล้วก็เมีอีกเรื่องหนึงคือฝึกขนาดที่นวดหลวงพอ่อครับวันนี้ก็ไปครับเราสึกว่าเราได้โฟกัสกับจุดที่นวดนะครับแล้วก็เลยมาปรับใช้กับตัวเองครับอาจารย์เหมือนเรามาลองนวดตัวเองแล้วมันเหมือนมันฝึกอยู่กับกายะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่าครับอาจารย์ ก็เราทำอะไรก็ให้เราอยู่กับการกระทําของร่างกายไม่ใช่แตเฉพาะเวลาเราโน่อย่างเดียวเราล้างหน้าไปฟันกราดอยู่ประมาณอยู่ตลอดทั้งวันเลยนีย่เป็นการฝึกสติใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกคือฝึกสมาธิมาพอมันมีสติทันนะครับเราอย่างวันนั้นวันก่อนคือนั่งแล้วยุงกัดครับมันคันมากเลยถ้าปกติเมื่อก่อนเราคงปีไปแล้วครับอาจารย์ แต่พอสึกจิตมันสมาธิมันมันดีขึ้นมันก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยยุงแต่ก็ค่อยค่อยเขียมันก็เป็นยุงกระดุกลึกขึ้นลึกเราก็ไม่ทำร้ายมันก็ต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็เข้าใจดีอาจารย์สอนครับหรือปล่อยมันก็ได้ก็ปล่อยจากได้เลยมน่อยแล้วมันครับแล้วตอนเช้าเจอเปิดมุ้งรวดใช่ไหมมันเกาะเต็มเลยครับก็ เมืาเป็นเมื่อก่อนคงตีหมดรับอันนี้ก็ค่อยๆเปิดแล้วก็หากระดาษมาไล่มันไปแบบต่างคน<ม>ต่างไปเนี่ยกระดาษก็เลยเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์สอนแล้วว่าสมาธิสําคัญถ้าดูจิตอย่างเดียวผมว่าไม่ไม่น่าทันครับอาจารย์ไม่ได้แล้วเพราะว่าไ ม, ม่พอดูจิตโดยไม่ไม่มีสมาธิกิเลสมันก็ออกมาทันทีใช่ครับมันเหมือนพอเราไปแค่กดๆมันบางทีไม่ทันมันก็ระเบิดออกมาเหมือนกันครับแต่ถ้าสมาธิมันจะช่วย ไห้มันมีสติทันธ์ารอ่นะครับอาจารย์ใช่ฝึกต่อครับอาจารย์นี่อาตุ้ทุกวันครับเคยได้พูดไม่เข้ามาเจอพูดบ้างไหมนี้เออเพิ่งเจอเมื่อวันอาทิตย์ที่บ้านลานเสษย์น้ำครับก็มีนิมนต์พระอาจารย์โมจากวัดยาณเวศศักยวันนะครับมาสอนกรรมฐานน้าชาครับก็เจอกันอยู่ครับเขาก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์โอเคนี่อาตุ้ อนดี้ไปที่เฟุกเลยนะหลวนพะที่เข้ามาทั้งหมดนี้คุณล้าเชิญมีกี่คำถามเลยมีทั้งหมดเจ้าคำถามจากทาง a c e b o o k และ u t u b e ค่ะออคำถามแรกจากคุณงามของที่นำไปทำโรงทานจากเงินเพื่อนๆนที่ร่วมบริจาคมาแต่เราลงเงินและลงแรงด้วยเราจะแบ่งของที่ไปทำโรงทานไว้กินเองได้ไหมคะขอบคุณค่ะ ก็อยู่ที่เรามันก็ถ้าเรามันอยู่ที่ว่าเราเก็บมากเก็บน้อยถ้ามันมีเหลือก็เก็บไว้ถ้ามันมีเหลือก็อยากเก็บดีกว่าถ้าเป็นของทานมันไม่ใช่เป็นของเราคำถามต่อไปจากคุณปุ้มปุ้ยขอส่งคำถามเจ้าคะ่ะในการใช้ชีวิตประจำวันเห็นจิตตนเองคิดปรุงแต่งไปมาขณะที่มีสิ่งมากระทบ จะสอนใจอย่างไรดีเจ้าคะเพื่อให้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าคะ่ะเรากเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนดินน้ําลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศสิ่งทุกอย่างที่เรามาประทบนี่เหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ฝนจะต ก, ก็เราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปใครจะด่าเราเราก็ต้องปล่อยก็ด่าไปใครเขาจะชมก็ปล่อยเขาชมไปเราเฉยๆนะเราไม่น้าที่รับรู้เฉยๆไปเท่านั้นเอง คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณรับตราหนูถือศินแปดแล้วมีเหตุต้องออกข้างนอกไปเดินตลาดกลางคืนหนูก็ตั้งมั่นในใจว่าจะไม่ยอมกินข้าวถ้าอยากจริงๆจะกินผ ล, ลไม้แทนแล้วหนูกินเป็นชุมพูไปคะ่ะแบบนี้ศีลแปดยังได้ไหมคะไม่ได้ชมพูก็ถือว่าเป็นใบนำอาหารอาหารนี่รวมทั้งผัดผ ล, ลไม้อะไรต่าง ยังกินไม่ไดย้ยกเว้นอยากผลไม้ที่ใช้เป็นยาเช่นสมหอหรือมะขามป้อมกินได้แต่ต้องกินเพราะเราเรามีโรคอะไรต้องกินนเป็นเภสัชได้คับคำถามต่อไปจากคุณก้องสุขแน่นกราบเรียนถามกระผมรู้สึกตัวรู้ทันกิเลส แล้วเกิดความภูมิใจอย่างนี้เรียกว่าหลงสุขหรือไม่ขอรับพระคุณเจ้าก็ถ้ามั น, ม, นมันเราจะไปหลงสุขได้ไงนะเมื่อเรารู้ว่าเร า, เราชนะกิเลสแล้วก็ภูมิใจของเราเป็นเรื่องธรรมดาไม่เได้ว่าเป็นความหลงสุขได้แล้วทำเราปฏิบัติมาเพื่อเอาชนะกิเลสเมื่อเราชนะกิเลสเราก็ภูมิใจก็ก็ไม่เสียหายจังเลย คำถามต่อไปจากคุณรุ่งเรืองศีลกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยู่ต่างแดนแต่พอจะทราบข่าวทางเมืองไทยบ้างในขณะนี้มีคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลายฝ่ายผิดศีลทุจริตต่อหน้าที่และสำคัญอีกเรื่องคือมีพระหลายท่านมีเรื่องเสื่อมเสียในยุคปัจจุบันพอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมดาของโลก ธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติแต่บางครั้งก็มีความสงสัยและขุ่นมัวบ้างคำถามคือเราควรจะทำใจอย่างไรให้ถูกต้องคะก็ต้องมองให้เป็นธรรมชาติได้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมนคำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity จิตยังมีก้าวลงไปสู่ทางโลกหรือยังติดค้างบ้างและไม่เป็นปัจจุบันในบางครั้งควรฝึกอย่างไรต่อครับก็พยายามฝึกให้มันเป็นปัจจุบันให้มากขึ้นไปให้มันเข้าสู่าทางธรรมให้มากขึ้นไปนั่นเองฝึกสติให้มากๆสติจะเป็นตัวดึงจิตให้เข้าไปในในในทางที่ถูกที่ควรต่อไปคําถามต่อไปจากคุณปุ้ย นมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อนั่งสมาธิแล้วรู้ตัวตลอดดูลมหายใจได้ตลอดสี่สิบห้านาทีไม่เข้าผวังแล้วอย่างนี้ถือว่าเราปฏิบัติได้เข้มแข็งขึ้นหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนปฏิบัติที่มีการเข้าผวังบ้างไม่มีบ้างคะก็แล้วแต่ผวางมันมีสแบบนะผวังหลับกับผวังสมาธิ ถ้าสติเราไม่ต่อเนื่องเราก็อาจจะเข้าไปในภาวะหลั บ, บได้ถ้าสติเราต่อเนื่องจิตมันก็จะเข้าไปในภาวงสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการปฏิบัติเพื่อให้จิตมันเข้าสู่ภาวงของความสงบเพื่อใจเราจะได้มีความนิ่งความสบายแล้วก็อุเบกขาคาน ว, วางเฉยซึ่งเราจะเอาไปใช้ต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมา เราก็สามารถเอาโมเดลคาร์ที่เราได้สร้างในใานี้ไปรํากับเหตุการณ์ต่างๆคําถามจากท่านสุดท้ายมีสองคำถามค่ะจากคุณก้องการปรียันถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งทำอย่างไรเราจะยอมรับความไม่ดีของตนเองได้ครับเมื่อวางเฉยไปรับรู้ว่ามันมันมันยอดเหมือนกับว่ามันเหมือนกับร่างกายเรา แล้วมีรู้แห้งเราจะทำไงแล้วก็ต้องอยู่กับมันไปได้แตถ้าสําหรับความไม่ดีของเราเราก็ถ้ารู้ว่าไม่ดีเราก็พยายามแก้ไขได้เช่นรู้ว่าเรากินเหล้าอย่างนี้นมันไม่ดีเราก็เลิกกินเหล้าได้หมดแล้วใช่ไหมคำถามสุดท้ายเจ้าค่ ะ, ะขนาดนั่งสมาธิไปสักพักก็ปวดขามากผมพยายามอยู่กับพุโทโธเพื่อที่จะได้นั่งต่อ แต่ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเรายังต้องทำงานจะปล่อยให้ขาเสียไปไม่ได้จากนั้นจึงออกจากสมาธิผมปฏิบัติผิดหรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับผิดเพราะว่ามันไม่เสียหรอกกิเลสมันหลอกเนาะคนไหนก็นั่งมากกว่าเราเป็นช่วโมงชั่วโมงพรานั่งเราขาก็ไม่เสียหรอกนี่เป็นเป็นอุบายของกิเลสกิเลสมันชอบหลอกเราให้เราไปห่วงเรื่องโน้เรื่องนี้ แต่มันไม่เป็นแค่ ว, ว่าอย่างไรเสียไม่เสียมันก็ตายอยู่ดีใช่ไหมแล้วไม่เสียหลักนั่งสมาธิมันไม่มีใครขึ้กดุ๊วยการอจากการนั่งสมาธิโอเคนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนับเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้กล่าวไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติ เพิ่มความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด